มรสการท่านพระอาจารย์ครุลิศโสติเพโรเจ้าอาวาสวัดนาประพงศ์และพันเตทั้ง3ท่านค่ะวันนี้สืบเนื่องจากทางโรงเรียนวัดวิเศษชัยชาโรงเรียนชุมชนวัดวิเศษชัยชาญได้เปิดโอกาสให้ทางพุทธวั จ, จนสมาคมมาแนะนําสมาคมแล้วก็มาทํากิจกรรมร่วมกับเด็กนักเรียนแล้วก็มีญาติมิตร ที่เป็นชาววิเศษชัยชาญมาร่วมฟังธรรมด้วยค่ะก็คณะครูกับท่านผู้อำนวยการโรงเรียนเนี่ยก็ยังไม่เคยได้รู้จักพุทธวจนะมาก่อนแต่ว่า เ, เคยเคยได้ยินได้ฟังผ่านๆมาบ้างทางพุทธวจนะสมาคมก็พิจารณาเห็นว่า โรงเรียนนี้เป็นโรงเรียนการศึกษาสังกัดการศึกษาขั้นพื้นฐานซึ่งเป็นเด็กนักเรียนตั้งแต่ออปอ .1 จนถึงป .6 ก็เลยมองว่าพอดีกับทางสมาคมเนี่ยได้มียุวสมาชิกซึ่งเป็นผู้แคล้วคล่องในการทรงจำคำของพระพทุทธ เ, เจ้าก็ก่อนหน้าที่พระอาจารย์จะเดินทางมาถึงได้ทำกิจกรรมโดยการ ให้ยุ้สมาชิกเนี่ยได้แสดงออกว่าการทรงจาคำพระพุทธเจ้าและแคล่วคล่องเนี่ยมีที่มาที่ไปอย่างไรเอ่อแล้วก็เป็นการแสดงให้ทั้งผู้ใหญ่และเด็กในที่ประชุมนที่นี้ได้เห็นว่าคำพพุทธเจ้าไพเราะเพียงใดและมีระเบียบแห่งถ้อยคาซึ่งถ้าคนที่ยังไม่คุ้นเคยอาจจะรู้สึกไม่คุ้นหูแต่อย่างน้อยวันนี้ก็ได้ ยุวสมาชิกของเราหคนเป็นแบรนด์แอมบาสเดอร์ของพระพุทธเจ้ารุ่นแรกได้มาแสดงความสามารถแล้วก็อธิบายความในใจของตัวเองว่าตัวเองมีที่มาที่ไปอย่างไรออ พ, อพอทั้งความคุ้นเคยกับคำพระพุทธเจ้าแล้วเนี่ยก็ไดเ้เรียนเชิญทางคุณปราณีศึกวงรีซึ่งเป็นตัวแทนของมูลนิธิพุทธโคตร ซึ่งได้ริเริ่มกิจกรรมชวนน้องท่องพุทธวจนะซึ่งก็เป็นเหตุปัจจัยที่สอดคล้องกับทางโรงเรียนวัดวิเศษชัยชาญอีกว่าเป็นระดับอายุที่ทางมุนิธิพุทธโคตรพิจารณาว่าถ้าสามารถทรงจำคำพระเจ้าได้และเริ่มเป็นโรงเรียนแรกจะทำให้เกิดกระแสว่าชาวพุทธแม้แต่เด็ก ก็ต้องรู้ว่าพระพุทธเจ้าใช้บทพยัญชนะอย่างไรและเศษครบเพื่อให้เกิดความคุ้นเคยต่อไปจะได้เป็นกําลังสําคัญว่าถ้าเกิดใครเอาคําที่บอกว่าอันนี้เป็นพระพุทธเจ้าพูดเนี่ยก็จะตรวจสอบได้ด้วยตนเองโดยไม่ต้องไปเชื่อตามตามใครอย่างที่พระพุทธเจ้าพูดว่าเป็นปัด จ, จัดตังเพราะฉะนั้นก็จะกราบขอกาศพระอาจารย์ ให้ทางพุทธวจนะสมาคมได้แนะนำตัวสมาคมสมบูรณ์ยิ่งขึ้นจะกลาบขอโอกาสให้น้องโอ๋ค่ะจะมาสาธยายพระสูตรซึ่งเป็นวัตถุประสงค์ของสมาคมการที่เรายกคำพระพุทธเจ้ามาเป็นวัตถุประสงค์ของสมาคมเพราะเราก็รู้ว่าถ้าเราตั้งวัตถุประสงค์ด้วยคำพูดทางโลกเนี่ย มันจะพริกแพงแล้วมันจะไม่อาการิโกจึงได้ขานำเชิญพระสูตรที่8ดมาเป็นวัตถุประสงค์ข้อที่หนึ่งแล้วก็ตามด้วยพระสูตรที่9ของน้องกิมเป็นการให้เรารู้ว่าจะทดสอบจะจะจะเป็นการตรวจเช็ค คำ ข, like well. ข, ของพระเจ้าให้ถูกต้องได้อย่างไรกลับขอโอกาสพระอาจารย์สอยุวยสมาชิกสองคนก่อนค่ะก่อนแสดงคำขอบพระคุณค่ะขอโอกาสค่ะพระอาจารย์พระสูตรที่แปดตรัดไว้ว่าให้ทรงจำบทพยัญชนะและคำอธิบายอย่างถูกต้องพร้อมขยันถ่ายทอดบอกสอนกันต่อไป พิสูจทั้งหลายพวกพิสูจนใ์ในธรรมในนี้เล่าเรียนสูตรอันถือกันมาถูกด้วยบทพยัญชนะที่ใช้กันถูกความหมายแหง่งบทพยัญชนะที่ใช้กันก็ถูกย่อมมีในอันถูกต้องเช่นนั้นพิสูจน์ทั้งหลายนี่เป็นมูลกรณีที่หนึ่งซึ่งทําให้พระสัธรรมตั้งอยู่ได้ไม่เลอะเลือนจนเสื่อมสิ้นไปพิสูจน์ทั้งหลายชื่อพิสูจน์เหล่าใดเป็นพระอุสูตรข้องแค่ในหลักพุทธวจนะ ทรงธรรมทรงวินยัยทรงมาติกาพวกพิสุเหล่านั้นเอาใจใส่บอกสอนเนื้อความแห่งสูตรทั้งหลายแก่คนอื่นๆเมื่อท่านเหล่านั้นล่วงลับไปสูตรทั้งหลายก็ไม่ขาดผู้เป็นมูลรากมีที่อาศัยกันสืบไปพิสุทั้งหลายนี่เป็นมูลกรณีที่สามซึ่งทำให้พระสัตธ ร, รมตั้งอยู่ได้ไม่เลอะเลือนจงเสื่อมสูนไป เชิญน้องกิมเลยค่ะพระสูตรที่เกเป็นการให้ชาวพุทธได้ตรวจเช็คคำของพระุทธเจ้าโดยตรงขอการพ่าจางเก้าทรงบอกพิธีแก้ไขความผิดเพี้ยนในคำสอนหนึ่งหากมีภิกษุในธรรมวินัยนี้กล่าวอย่างนี้ว่าผู้มีอายุข้าพระเจ้าได้สับรับมาเฉพาะภาพัก พระผู้มีพระภาคว่านี้เป็นธรรมนี้เป็นวินยัยนี้เป็นคําสอนของพระศ า, าสดาสองหากมีภิกษุในธรรมวินัยนี้กล่าวอย่างนี้ว่าในอาวะาชื่อนูนมีนสงอยู่พร้อมด้วยพระเถระพร้อมด้วยปาโมกข้าพเจ้าได้สดับมาเฉพาะหน้าสงนั้นว่านี้เป็นธรรมนี้เป็นวินยัยนี้เป็นคําสอนของพระศาสดาสา มีภิกษุในธรรมวินัยนี้กล่าวอย่างนี้ว่าในอาวะชื่อโนู้นมีภิกษุผู้เป็นเถระอยู่จํานวนมากเป็นพระหูสูตรเรียนคำภีทรงธรรมทรงวินัยทรงมาติกาข้าพเจ้าได้สดับมาเฉพาะหน้าพระเถระเหล่านั้นว่านี้เป็นธรรมนี้เป็นวินัยนี้เป็นคําสอนของภาษาสดาสี่หากมีภิกษุในธรรมวินัยนี้กล่าวอย่างนี้ว่า ในอาวะชื่โนโณนมีภิกษุผู้เป็นเถร่ายอยู่รูปหนึ่งเป็นพระหูสูตรเรียนคำภีร์ทรงธรรมทรงวินยัยทรงมาติกาข้าพระเจ้าได้สดับมาเฉพาะหน้าพระเถระารูปนั้นว่านี้เป็นธรรมนี้เป็นวินยัยนี้เป็นคําสอนของพระศาสดาเธอทั้งหลายยังไม่พึงชื่นชมยังไม่พึงคัดค้างคํากล่าวของผู้นั้นเพึงเรียนบทและพยัญชนะเหล่านั้นให้ดี แล้วพึงสอบสวนลงในสูตรเทียบเคียงดูในวินยัยถ้าบทและเพรญชนะเหล่านั้นสอบลงในสูตรก็ไม่ได้เทียบเข้าในวินัยก็ไม่ได้พึงลงสันนิษฐานว่านี้มิใช่พระดำรัดของพระผู้มีพระภาคพระองค์นั้นแน่นอนและภิกษุนี้รับมาผิดเธอทั้งหลายพึงทิ้งคำนั้นเสียถ้าบทและเพรญชนะเหล่านั้นสอบลงในสูตรก็ได้เทียบเข้าในวินัยก็ได้ พึงลงใส่นิฐานว่านี้เป็นพระดำรดของพระผู้มีพระภาคพระองค์นั้นแน่นอนและภิกษุนั้นรับมาด้วยดีเธอทั้งหลายพึงจำมหาประเทศนี้ไว้กท่านผู้มีเกียรติแล้วก็เด็กนักเรียนก็ได้ได้พอพอที่จะคุ้นเคยแล้วว่าพุทธวัจนสมาคมมีวัตถุประสงค์แบบนี้ อาจจะฟังแล้วยังยังไม่ลงลึกไปในความหมายแต่เดี๋ยวเราจะมีแผ่นพับของสมาคมมอบให้กับทางโรงเรียนไว้พิจารณาให้นักเรียนได้นาไปดูนะคะคือถ้าแจกกลัวเด็กนักเรียนจะไม่ไม่เห็นคุณค่าเพราะทางสมาคมเราตั้งใจการทำแผ่นพับอันนี้ไม่ใช่แผ่นพับโฆษณาให้ใครเป็นแผ่นพับโฆษณาให้พระพุทธเจ้านะคะทีนี้ตราสั ญ, ญลักษณ์ที่ท่านผู้มีเ เด็กได้เห็นชาวสมาคมตัวแทนของสมาคมจำนวนหนึ่งเนี่ยเดินทางมาทำกิจกรรมนี้เนี่ยที่หน้าอกเสื้อเนี่ยค่ะเป็นตราสั ญ, ญลักษณ์ที่ออกแบบโดยใช้พระสูตรเป็นคำตรัสจากพระโอษฐของพระพุทธเจ้ามาอธิบายตราสั ญ, ญลักษณ์เพื่อให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์เพราะฉะนั้นเราก็จะให้น้องน้ำุ้นให้เจร่นก่อนกับขอโอกาสอาจารย์ค่ะ เป็นภาษาอังกฤษเพื่อที่ให้น้ำบุญจะได้แปลเป็นภาษาไทยเชิญค่ะจจะได้เลยค่ะขอการถามพระอาจารย์ <c oughs> just as k the monks on a mountain the rain falls in heavy drops That water flowing onwards, according to the slope, fills up with mountain c r e p t s and r i p s and gullies, and when they filled, fill up the little pools, the little f o o l s fill up the big pools, the big pools fill up the small rivers, they fill the large rivers, and the large rivers fill up the sea, the mighty ocean. Thus, a s e d e m e n t of the mighty ocean. And thus its fulfillment. Thus, months following after the very man, when complete, complete listening to true dharma, listening to true d h a m m a complete faith, faith, complete thorough work of mind and that mindfulness and self positions, that control of s i n e faculty, that the three ways of practice, and that the four rising of mindfulness. And that the seven limbs of wisdom, while the seven limbs of wisdom, when complete, complete release by knowledge. Thus, its a c h i e g e m e n t of release by knowledge, and thus its fulfillment. <sighs> เ <c oughs> มื่อกี้ตกหล่นไปนิดนึงค่ะว่าตราสั ญ, ญลักษณ์ออกแบบเป็นหยดน้ำหยดอยู่กลางมหาสมุทรแล้วแตกวงกว้างไปจนไหลขอบเขตเพราะฉะนั้นน้ำรุ้นก็จะมาแปลพระสูตรภาษาอังกฤษที่ทางเจเด้นสัทยายเป็นภาษาไทยเพื่อให้เราเข้าใจได้ชัดเจนยิ่งขึ้นเชนิญค่ะน้ำรุนขออนุาค่ะะอาจารย์ ก่อนพิกษุทั้งหลายเปรียบเหมือนเมื่อฝนมิดหยาบตกลงรุงบนภูเขาเมื่อฝนตกหนักๆอยู่น้ำ ม, มันไหลไปตามที่รุ่งย่อมยังซอกเขาวามพาและห้วยให้เต็มซอกเขาลามพาและห้วยที่เต็มย่อมยังหนองให้เต็มหนองที่เต็มย่อมยังดึงให้เต็มดงที่เต็ม ย่อมยังแม่น้ำน้อยให้เต็มแม่น้ำน้อยที่เต็มย่อมยังแม่น้ำใหญ่ให้เต็มแม่น้ำใหญ่ที่เต็มย่อมยังมหาสมุทรสาคอให้เต็มมหาสมุทรสาคอนนั้นมีอาหารอย่างนี้และเต็มเปลี่อนอย่างนี้ดูดูดน้ำฉันใดดูก่อนภิกษุทั้งหลายการคบสัปปะบริโภที่บริบูรณ์ย่อมยังการฟังสัตยธรร ให้บร hey, th hey, ิบูรณ์การฟังศัตรมที่บริบูรณ์ย่อมยังกะสัต t h ให้บร ah. hey, ิบ ah. hey, hey, hey, ูรณ์สัท hey, t า a ที่บริบูรณ์ย่อมยังการทำไว้ในใจโดยแยกายให้บริบูรณ์การทําไว้ในใจโดยแยกายที่บริบูรณ์ย่อมยังสติสัมปชัญญะให้บริบูรณ์สติสัมปชัญญะที่บริบูรณ์ ย่ำยังการสํารวมอินทรีย์ให้บริบูรณ์การสํารวมอินทรีย์ที่บริบูรณ์ย่อมยังสุจริสาให้บริบูรณ์สุจริสาที่บริบูรณ์ย่อมยังสติปัญหาสีให้บริบูรณ์สติปัญหาสีที่บริบูรณ์ย่อมยังผู้ชมเจให้บริบูรณ์ผู้ชมเจที่บริบูรณ์ ยัองอย่างวิชาและวิมตให้บริบูรณ์วิชาและวิมดนี้มีอาหารอย่างนี้และบริบูรณ์ดังนี้ฉันนั้นเหมือนกันวขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะก็ขอปิดท้ายก่อนพระจรย์แสดงธรรมด้วยน้องก้าวค่ะพระสูตรที่ทรงตรัสแก่พระอานนท์ให้ใช้ธรรมวินัยที่ตรัสไว้เป็นาศาสดาต่อไป ใช่ไหมครับพระสุดที่สิครับขอโทษครับพูดไม่สมบูรณ์พระสุด ท, ที่สิใส่เสื้ออะไรด้วยกับเรียนพระอาจารย์ด้วยครับยืนเลยครับพระอาจารย์รคะผ่าวาาค่ะพระธรรมคือพระพุทธอ น, อนุนความคิดห้ามีีเก่พวกเธออย่างดีว่าห้ามมิในของพวกเรา มีภาะศาสดาด้วงรับไปแล้วพวกเราไม่มีภระศาสราดังนี้อานอน์พวกเธออย่าคิดดงนั้นอานอนท์ทำข้อดีมีในขก็ดีที่เราแสดงแล้วบัญญยัดแล้วเก่บพวกเธอทั้งหลายทำด้วยในนั้นจกเป็นศาสดาของพวกเธอทั้งหลาย โดยการล่มไปแห่งเราอานน์ในการบัดนี้ก็ดีในการล่วงไปแห่งเราก็ดีให้ก็ตามจะต้องมีตนเป็นป่าทิพี์มีตนเป็นสารณะไม่เอาสิ่งเงินเป็นสารณะมีทำเป็นป่าทิพย์มีทำเป็นสรณนะไม่เอาสิ่งเงินเป็นสรณนะเป็นรูอาณ น, น์ ผิสุพวกใดเป็นผู้ไขในศิกขาผิสุพวกนั้นจักเป็นผู้อยู่ในสถานะอันเลอิอที่สุดเลยอานน์ความขาดสนแห่งกาณวัตนี้มีใ น, ย น, ใ น, น, ใ า, นายอยู่แห่งบุรุษใดบุรุษนั้นเชื่อว่าเป็นบุรุษองสุดท้ายแห่งบุรุษทั้งหลายเราขอก่าย้ำกะเธอว่า เธอทั้งหลายอย่าเป็นบุรุษพวกสุดท้ายของเราเลยข อ, ขอบคุณมากครับนก้าโชว์เสื้อไปให้ท่านผู้มีเกียรติข้างหลังดูหน่อยได้ไหมครับใส่เสื้ออะไรครับตอบด้วยครับดูรถมีเดล้านเเมนครับแปลภาษาไทยได้ไหมครับเชิญเลยครับอย่าเป็นบุรุษคนสุดท้ายค่ะ ขอบคุณครับเชิญน้องก้านั่งลงครับน้องก้าครับเชิญนก้ต้องหากำลังใจจากคุณแม่ก็อย่างน้อยที่ประชุมมาที่นี้ก็ได้รู้จักคำว่าพุทธวจนะแล้วก็พุทธวจนะสมาคมจึงกราบขอรัตนาพระอาจารย์ เมตตาแสดงธรรมว่าทำไมชาวพุทธต้องศึกษาแต่พุทธวจนะจะาคาะกาดเพราะทคานค่ ะ, ะก็ได้เยชนของเราหลายๆคนได้มาสัทยายพุทธวจนะให้เราเข้าใจถึงความหมายต่างๆนะ ท่า <c oughs> นีา้ทำไมจะต้องเป็นพุทธวชนะเนี่ยก็เพราะว่าพรัศดาท่านตัดไปเองว่าให้ฟังแต่คำของพระองค์เนี่ยคือตามตามพุทธประสงค์เลยเพราะพระองค์บอกว่าคำที่แต่งใหม่หรือว่า คำที่เป็นของสาวกเนี่ยอย่าไปฟังนะให้ฟังแต่คำพระศาสดานะีท่นี้ก็เลยต้องมีขึ้นหลักฐานให้ยอมดูนิดหนึ่งนะว่าเราใช้คําพระศาสดายิงนะอย่างที่เยาวชนทุกคนเนี่ยที่ได้ทรงจํามาก็คือทรงจํามาจากคําพระศาสดาทั้งสิน้นนะนั้นพระศาสดาบอกเลยว่าสุตันตะเหล่าใดเนี่ยที่นักกวีแต่งขึ้นใหม่ จะเป็นคำร้อยกรองประเภทกาบกรอนมีอักษรสลัดสลวยมีพยัญชนะอันวิจิตเป็นเรื่องนอกแนวเป็นคำกล่าวของสาวกเมื่อมีผู้นำสุดตันตะเหล่านั้นมากล่าวอยู่ เ, เธอจักไม่ฟังด้วยดีไม่เงี่ยหูฟังไม่ตั้งจิตเี่อจะรู้ทั่วถึงและจักไม่สาคัญว่าเป็นสิ่งที่ตนเนี่ยควรศึกษาเล่าเรียนรัศสาเนี่ยตรัดไว้เองเนั่นนั้นอันดับแรกเลย ง่ายๆว่าเรามีศรัทธาในพระพุทธเจ้าเนี่ยเราเดินตามความเห็นพระพุทธเจ้าว่าพทธเจ้าเนี่ยมีความเห็นอย่างไรเราเดินตามอย่างนั้น <c oughs> แล้วพระองค์ก็ตัดในทางกลับกันว่าสุดตัณตะที่เป็นคำของพระองค์เนี่ยนะให้ตั้งใจฟังบอกสุดตัณตะเราใดที่เป็นคำของตถาคต เป็นข้อความลึกมีความหมายซึ่งเป็นชั้นโลกุตละว่าเฉพาะด้วยเรื่องสุญญตาเมื่อมีผู้นำสุดตันตะเหล่านั้นมากล่าวอยู่เธอย่อมฟังด้วยดีย่อมเงี้ยหูฟังย่อมตั้งจิตไปจะรู้ทั่วถึงและย่อมสำคัญว่าเป็นสิ่งที่ตนควรศึกษาเล่าเรียนดังนั้นง่ายๆตรงๆเลยคือเดินตามพระพุทธเจ้าด้วยการฟังแต่คาพระพุทธเจ้าอย่าฟังคาที่แต่งขึ้นใหม่หรือคาของสาวกที่บัญญัติขึ้นใหม่ สิทธิ์ขึ้นมาเองเพราะเหตุผลว่าพระุทธเจ้าเป็นผู้บัญญัติธรรมและวินัยเพราะพระุทธเจ้าเป็นคนเดียวที่เป็นสัพพัญญูรู้ทุกเรื่องแต่ต่ำกว่าพระุทธเจ้าเนี่ยไม่ใช่สัพพัญญูเมื่อไม่ใช่สัพพัญญูเนี่ยจึงมีการบัญญัติที่ไม่ครอบคลุมมีข้อผิดพลาดได้ไม่ใช่ฐานะที่สาวบ จะไปบัญญัติอะไรการบัญญัติเป็นของศาสดาผู้เดียวดังนั้นะถ้าใครพูดมาแล้วพระพุทธเจ้าเนี่ยรับรองนั่นก็จะเสมือนหนึ่งคําพระพุทธเจ้าเหมือนกันนะคือที่สุดแล้วพระเจ้าต้องรับรองหรือเป็นคนพูดออกมานะ <c oughs> เพื่อให้ข้อปฏิบับติที่ถูกต้องนะอันเข้าถึงความไม่ตายอันเป็นเรื่องของ บุญของบาปบุญจริงๆเป็นยังไงบาปเป็นยังไงน ะ, ะการที่เราจะเข้าถึงความดับกรรมเป็นยังไงนะพิธีกรรมต่างๆเป็นยังไงที่ถูกต้องเนี่ยมันต้องออกมาจากปากพระพุทธเจ้านะไม่ใช่ออกมาจากปากคนอื่นนะอันนี้คือสิ่งสําคัญที่ทําให้เราต้องมาฟังพุทธวจนะและสิ่งที่เยาวชนของเราเนี่ย นำมาใช้สาธยายในวันนี้เป็นข้อมูลที่เก่าที่สุดในโลกนะเป็นข้อมูล 2,000 กว่าปีที่ถูกถ่ายทอดสืบทอดกันมาซึ่งพวกที่ไม่เคยได้ศึกษาพุทธวจนะก็คงไม่เคยทราบว่าคำพระศาสนาถูกปกปักรักษามาเป็นอย่างดีถึง 2,000 กว่าปีไล่จาก ปัจจุบันเนี่ยคำพระเจ้าอยู่ที่ไหนคำพระพุทธเจ้าเนี่ยเราจะไปตามวัดต่างๆเนี่ยเราจะเห็นพระฐบิฎกเนี่ยสองสำนักนี้นะก็คือของมหามุมหาจุฬาราชวิทยาลายัยอ่มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยเนี่ยนะคือตัวนี้น ะ, น ะ, นะแล้วก็ของมหามังกุร ของมาโมกุลนี่เก้าสบิบเอดเล่มของมาจุลาสีผ้าเล่มนี่คือพ ร, ระตาบิดกที่รวบรวมคำพุทธเจ้าทั้งหมดแต่ปรากฏว่าหนังสือที่รวบรวมคำพุทธเจ้าทั้งหมดก็มีคําที่แต่งใหม่อยู่ในนั้นด้วยท่นี้หลักฐานที่มีคำพุทธเจ้าทั้งหมดอยู่ในนั้นเนี่ยเอามาจากไหนเพราะนี่เป็นหนังสือใหม่ๆ นรากว่าเมื่อสืบสาวไปแล้วเนี่ยเวลาเ้าทำหนังสือเขาก็บอกเขาเอามาจากไหนเขาเอามาจากตัวนี้นะเขาเอามาจากพระตาบิดกฉบับสยามลัดแล้วใครเป็นคนทำพระตาบิดกตัวนี้คือสมัยรัชกาลที่ห้านิมนพระมาร้อยกว่ารูปทั่วประเทศมาช่วยกันทำนะคือแปลาจากอักษรขอมเนี่ยมาเป็นอักษรสยามเป็นพระตาบิดกที่เป็นอักษรไทยครั้งแรก แล้วร .5 ก็ทำแจกไปสองร้อยหกสิบกว่าแห่งทั่วโลกและก็ทั่วประเทศทีนี้พระในยุคร .5 เนี่ย <c oughs> ที่ทำตัวนี้นี่ เ, นเอามาจากพระตบิดกอักษรขอมเนี่ยถามว่าอักษรขอมเนี่ยใครทำก็คือสมัยรชัชกาลที่หนึ่งสมัยรชัชกาลที่หนึ่งเป็นคนทำโดยนิมนพระมาสองร้อยกว่ารูปเนี่ย ช่วยกันคัดลอกพระไตรปิดกใหม่เมื่อคัดลอกพระตรปิดกใหม่เสร็จมรดกนี้ตกมาถึงลอห้าลอห้าเอามาแปลกลับมาเป็นอักษรไทยแล้วก็แปลมาเป็นภาษาไทยดังนั้นที่เราทำบุญสุนทานอะไรกันอยู่ทุกวันนี้หลักฐานมาจากไหนมาจากตัวนี้หลักฐานมาจากตัวนี้ตัวเดียวและในวันนี้ทำกันถูกหรือไม่นะปัญหาคือตรงนี้ เมื่อปัจจุบันเนี่ยทาผิดจากที่พระศาสดาได้บัญญัติเราก็เลยกลับไปหาที่พระศาสดาบัญญัติว่าพระศาสดาพูดอะไรสอนอะไรแน่ๆนะ่อันนี้คือที่มาที่ไปว่าเพราะเราต้องการสิ่งที่ถูกต้องนะ่นะณวันนี้มีการไปนอนในโรงนะ่ะอ่ามีการทำพิธีต่างๆมากมายมีการทำบุญการถวายทานที่ผิดจากที่พระศาสดาสอน และลูกหลานเราอย่างเนี้ยก็จะต้องจําสิ่งที่ผิด ต, ต่อต่อกันไปเรื่อยๆนี่คือความเสื่อมของศาสนาความผิดเพี้ยนออกไปเรานิมนต์พระมาที่โรงเรียนเพื่อทำบุญน่ะยมนิมนต์มาฉันเช้าหรือฉันเพลนฉันอะไรเนาะฉันเพลนครูเจ้าไม่เคยบัญญัติเรื่องฉันเพล เห็นไหมอ่าอันดับแรกเลยง่ายๆเลยที่เห็นนะเพราะนั้นผู้เจ้าบัญญัติภิกษุในครั้งภิกษุในธรรมวินัยนี้เนี่ยฉันอาหารเพียงวันละหนึ่งหนแม้นี้ก็เป็นสิ่งของเธอประการหนึ่งขึ้นหลักฐานให้ดนูนั่นหลักฐานที่ขึ้นให้โยงดูเนี่ยคือหลักฐานที่เก่าที่สุดในโลกสองพันกว่าปีนะในสัมปนะศีลา พระเจา้าตรัสเลยว่าภิกษุในธรรมวินัยนี้เป็นผู้เว้นขาดจากการล้างผลานพีชะตามและปุพามเป็นผู้ฉันอาหารบันหนึ่งเพียงหนเดียวเว้นจากการฉันในราทรีและพิการเห็นไหมยองดูนี่เรื่องนี้เรื่องเดียวก็ผิดกันไปค้อนประเทศแล้วใช่ไหเนี่ยหละเป็นสิ่งที่สิ่งที่เราจะต้องช่วยกันแก้ไข เนยอืมเวลาเรานิมนต์พระแล้วเราเคยเคยถวายเงินกับพระไหมโยม <_: S 1> เคยใช่ไหมโยมลองไปดูสิกขาบทพระศาสดาบอกว่าอันหนึ่งภิกษุใดเนี่ยรับก็ดีให้รับก็ดีซึ่งทองเงินรู้ยินดีทองเงินอันเขาเก็บไว้ให้กระดีเป็นนิสักยาปาจิตตีถ้าโยมถวายเงินทองกับภิกษุเนี่ยภิกษุต้องอบัตปาจิตตีเงินทองเป็นนิสขีต้องสละทิ้งท่ามกลางสง เราลองดูพระบัญญัติข้อนี้นิสขีปาจิตีโกสิกขพิปปัรับก็ดีให้รับก็ดีซึ่งทองเงินหรือยินดีทองเงินนั้นเขาเก็บไว้ให้ก็ดีเป็นนิสักยปันจิตีเรามายินยันโดยคำพระศาสดาเราไม่ยินยันโดยตัวพระเพราะตัวพระเนี่ยบวชเข้ามาเมื่ออายุยี่สิบเนี่ยยังไม่รู้เรื่องอะไรนะจะเป็น ยศตำแหน่งอะไรก็ตามนะจะบวชมาสี่สิบห้าสิบปีก็ตามไปถามพระิตรเขาบวชมาอายุยี่สนะิบเนี่ยความรู้เขาศูนย์เนี่ยอันไหนเกิดก่อนหลักฐานนี้เกิดมาก่อนเดียวหลักฐานนี้สองพันกว่าปีนะและเป็นหลักฐานที่เขาต้องรักษาด้วยนะสิกขาบททั้งหมดของพระน ะ, ะเพราะนั้นนี่เรื่องง่ายๆเลยที่เราเจอกันแล้วมันผิดตลอดนะ เวลาเรานิมนต์พระมาก็ต้องมีการรู้สึกว่าพิธียอดทิศก็คือการทำน้ำมนต์นะเราคงเคยผ่านการทำน้ำมนต์มาแล้วกันแห่งนั้นนะอันตอมาก็เคยพ่อแม่ก็พาไปอาบน้ำมนต์ลดน้ำมนต์แต่พระศาสดาบอกเป็นเดลฉ า, านวิชาห้ามภิกษุธรรมอ่าเราไปดูนะพระบัญญัติของพระผู้มีพระภาคเจ้า ศาสดาของเราพระพุทธเจ้าที่เราเคารพกราบไหว่นะแต่ใครจำมาผิดนะอีกอย่างหนึ่งสมณะหรือพรามบางพวกชันโพชนะที่ทายกถวายด้วยศรัทธาแล้วท่านเหล่านั้นยังสำเร็จการเป็นอยู่ด้วยการเลี้ยงชีวิตผิดการเลี้ยงชีวิตผิดเรียกว่ามิจฉาอาชีวะเพราะทรเบลฌานวิ ช, ชาเห็นปานนั้นอยู่คืออะไรบ้างการบนขอลาผลต่อ เทวดาการดวงสวงแก้บนการสอนมนตร์การปีบ้านเรือนนะเนี่ยยาวเลยทำพิธีปลูกเรือนทำการดวงสวงในที่ปลูกเรือนการพ่นน้ำมนต์นะการบูชาเพลิงเห็นไหมส่วนวิใ น, ในัยนี้เธอเว้นขาดจากการเลี้ยงชีวิตผิดเพราะทำเดรชนวิชาเห็นปันนั้นเสียแล้วแม้นี้ก็เป็นสินของเธอประการหนึ่งสิ่งที่าศาสดาบอกว่าเดชนวิชาเราบอกว่าเป็นมงคล มันสวนทางกันไม่เยอะนะเห็นนะและตัวภิกษุซึ่งเป็นทายาทแห่งธรรมะของตถาคตกลับปฏิพฤติปฏิบัติผิดจากที่ตถาคตได้บัญญัติเอาไว้อัตมาจึงชี้ไปที่หลักฐา น, นว่าหลักฐานไหนเกิดก่อนกว่ากันตัวพระเกิดก่อนหรือหลักฐานนี้เกิดมาก่อนนะใช่ไหมอ่าวันนั้นโยนไปดูหลักฐานตรงนี้พระตบิดกอักษรขอมที่จาลงในใบลาน ปีสองสามสามหนึ่งรัชกาลที่หนรรึ่งนิมนต์พระมาสองร้อกว่าลูกมาประชุมกันที่วัดพระศรีสันเพชคือวัดมหาธาตุยุวราชหลังสลิดปัจจุบันนั่งลอพระตวิดบดที่ยืมมาจากประเทศลาวและประเทศลามันใหม่คือตัวนี้ถูกเก็บไว้ที่หอมืองเทียนทมที่วัดพระแก้วตัวนี้หลักฐานทุกอย่างมีหมดและตัวนี้ถูกนามาแปลเป็นอักษรสยาม นะอักษรไทยคือตัวนี้ทำเมื่อปีสองสี่สมหกนะโดยราชการที่ห้านิมนต์พระมาร้อยกว่าลูกประชุมมันที่วัดพระแก้วนะเช็คหลักฐานให้ดีนะนะท่านี้ประเทศในแถบสุวรรณภูมินะที่เราเรอหนึ่งเนี่ยยืมมาเพื่อทำเป็นบาลีอักษรขอมเนี่ยเอามาจากไหนประเทศในแถบสุวรรณภูมิเอามาจากพระเจ้าโศกมหาราช เสาหินโศกโยมไปอินเดียจะเห็นอักษรพรามีภาษาปรกิที่แกะสลักลงในเสาหินนะพระเจ้าโศกอยู่ประมาณสองร้อปีหลังพู้เจ้าปริณิพานนะเฉยียดพระเจ้านิดเดียวกระจายพระศาสนาไปเก้าตำแหน่งทั่วโลกที่หนึ่งมาในสวนภูมิศรัท ธ, ธาพระพุทธเจ้ามากนะศรัท ธ, ธาในคำสอนกระจายคาสอนที่ถูกต้องนี้ออกไป ประเทศในแถบสุนภูมิก็เก็บข้อมูลนี้ไว้แล้วก็ตกท่อต่อมาจนถึงทุกวันนี้นะแล้วโยมจะเห็นว่าถ้าเป็นพุทธวจนะจะไปอยู่ที่ใดก็ตามในโลกตรงกันหมดล่าสุดเราไปเจอในถ้ำในอัฟกานิสถานนะนะซึ่งปัจจุบันเป็นประเทศที่ถือพลลกความเชื่อกันเลยระเบิดพระพุทธรูปเสร็จนักโบราณคดีเข้าไปสารวจเจอถ้เข้าไปในถ้ำ ปรากฏว่าเจอเศษซากใบลานซักใบลานนี้อักษรเขียนอยู่ในนั้นด้วยก็เลยเพียรพยายามเอามาต่อกันจนสามารถต่อกันเป็นแผ่นใบลานได้ทําที่นอร์เวย์นะเพราะนั้นเป็นแผ่นใบลานแล้วเนี่ยนักภาษาศาสตร์ทั่วโลกก็เข้าไปช่วยกันแปลและเมื่อแปลออกมาเป็นภาษาไทยปรากฏว่าตรง ก, กันกับพระไตรปิฎกฉบับสยามรัฐของเรานะ สอเกี่ยวกับเรื่องอบายมุขหกนะก็คือตัวนี้เคบดีบุตรการตามประกอบในธรรมเป็นที่ตั้งแห่งความประมาทเนื่องด้วยของเมาคือสุลาและเมรยัยเป็นทางเสื่อมแห่งโขกคะการที่ยวตามประกอบซอกซอยเวลาวิการเที่ยวไปในที่ชุมนุมแห่งความเมานะการพนันคบมิตรเชื่อความเกลียรติครานเราเรียนกันมาต้องนานแล้วแต่เ้าสอนมาสองพันกว่าปีแล้วเยอะนะเห็นไหม อาตมา ถ, ถึงบอกว่าเราต้องกลับไปที่หลักฐานที่ถูกต้องและเก่าที่สุดคือตัวนี้นะเราไล่เลยพระตาบิดดกนี่มาจากไหนมาจากสยามรัฐสยามรัฐมาจากใบลานักษรของใบลานักษรของมาจากตัวเสาหินโศกนะมันสุดแค่นี้สุดถึงพระพุทธเจ้าพอดีนะเพราะนั้นนี่แหละคือหลักฐานที่อาตมาเอามาให้โยมว่าภิกษุรับเงินได้ไหมภิกษุต้องฉันกี่มือ อย่างนี้เห็นไหมว่าเด็กๆรุ่นนี้จะจำผิดไปตลอดเลยเวลาเขาโตขึ้นมาเขาก็เลี้ยงเพนะทำผิดอีกใช่ไห ม, ไหมเขาก็นึกว่าพระฉันสองมือเป็นปกติแต่ปรากฏไม่ใช่นี่คือความผิดเพี้ยนของพระศัตธรรมที่มันจะเพียเพ้ยนไปเพี้ยนไปเพี้ยนไปเรื่อยๆอย่างนี้แล้วเราก็มีพิธีแก้กรรมกันไปนอนในโรง ไปลดน้ำมนต์เอาผ้าขาวคุมบางสกุลเป็นตายซึ่งศาสดาบอกว่าเป็นเดรัจฉานาวิชาแต่พระธรรมกันเต็มเลยเห็นไหมอยนี่คือความเสื่อมความสูญหายไปของศาสนาพุทธคำสอนแท้แท้ของพระพุทธเจ้าของเรามันจะกลายเป็นว่าเรากราบพระพุทธเจ้าแต่รูปปัน้นรูปหล่อเฉยๆแต่เราไม่รู้คำสอนที่แท้จริงของท่านเลยแล้วโอกาสในการพ้นทุกข์จะพ้นได้อย่างไร ทั้งที่พูะเจ้าเกิดมาเพื่อสอนให้เราพ้นเกิดแก่เจ็บตายการพ้นเกิดแก่เจ็บตายของเราจะไม่สำเร็จประโยชน์แน่นอนนะเพราะเราได้ข้อมูลผิดปัญหาถือตรงนี้เยอะจึงต้องมาชวนน้องท่องพุทธวจะนะกันทุกทุกวันนี้ใช่ไหมและเหตุผลที่ทำไมจะต้องให้เขาจำคำพระพุทธเจ้าไปก่อนนะก็เพราะพระองค์ตัดไว้อีกเช่นกัน ทำไมเนี่ยยอมให้เด็กๆท่องสุดคูณเด็กๆท่องสุดคุณนะท่องใช่ไหมนึกว่าไม่มีการท่องแล้วสมัยอตาตมาก็ท่องเหมือนกันน ะ, ะท่องทุกเย็นเลยเช้าเย็นเช้าเย็นเช้าเย็นนะจนฝังอยู่ในหัวเลยยี่สิบสามสิบปียังจำได้คำพระศาสดาเหมือนกันผู้เจ้าตรัสเลยว่าถ้าเขาเนี่ยฟังคำตาถาคตเนืองเนืองจนคล่องปากขึ้นใจแทงตลอดอย่างดีด้วยความเห็น เพระองค์ยืนยันว่าแม้เขาจะมีสติตหลงลืมทํากาละก็ยังได้ไปเกิดเป็นเทวดาและในภพของเทวดานั้นเขาจะบรรลุธรรมนะบรรลุธรรมโดยสีลักษณะสี่โอกาสก็คือหนึ่งตัวเขาระลึกถึงบทแห่งธรรมได้เองหรือเข้าไปได้ยินภิกษุผู้มีฤทธิ์ขึ้นไปแสดงธรรมในหมู่เทพบริษัทธหรือได้ยินพวกเทพบริษัทธแสดงธรรมด้วยกันเองนะหรือเทพบริษัทธผู้เกิดก่อนจะมาเตือนเทพบริษัทธผู้เกิดหลังถึงธรรมะ นี่คือโอกาสในการบรรลุธรรมของเขาสี่ลักษณะนะด้วยเหตุผลนั้นนี้จึงมีโครงการนะที่จะให้นักเรียนเนี่ยทั่วประเทศเนี่ยสาธยายและส่งจำคำของตถาคตคำของพระพุทธเจ้าเราเองแท้ๆนะโดยต้องเช็คก่อนว่าหลักฐานจากไหนคือใช้หลักฐานจากพระธตรปิฎกฉบับสยามรัฐเก่าที่สุดไม่เอาหลักฐานใหม่ เอาตัวเก่าครั้งแรกเลยที่แปลเป็นอักษรสยามอักษรไทยครั้งแรกอย่างนี้เพื่อให้พระสัษธรรมของพูะเจ้าเนี่ยดำรงอยู่ในประเทศไทยไม่ใช่มีแต่รูปปั้นพระพุทธเจ้าแล้วทุกคนไม่รู้เลยว่าพระพุทธเจ้าสอนอะไรปัญหาคือตรงนี้นะและเราจะได้ทั้งประโยชน์ตนและประโยชน์ผู้อื่นนะพระองค์บอกว่า ผู้ควรเจริญงอกงามภัยบูรในธรรมวินัยนี้สิบเอ็ดประการหนึ่งในนั้นคือเป็นผู้รู้จักน้ําที่ควรดื่มคือเมื่อเขาแสดงธรรมแก่ใครถึงแม้เขาจะไม่ได้แสดงธรรมแก่เราแต่เราเนี่ยเงี่ยโสลงสดับเราเนี่ยน่ตั้งใจฟังเขาพูดเนี่ยคนคนนั้นเนี่ยบรรดูทําได้นั้นนี่นนจึงเป็นประโยชน์อย่างน้อย เมื่อเยาวชนได้สาธยายพุทธวจนะขึ้นมาคนอื่นได้ยินได้ฟังถ้าเขาเพียงแค่ตั้งใจฟังเอาไปไข้ควรพิณาเขาสามารถพ้นจากความทุกข์แก่เจ็บตายได้แม้เพียงบทเดียวประสู่เดียวก็ตามผู้เจ้าตรัดการคามณิว่าถึงแม้เขาจะเข้าใจธรรมที่เราแสดงเพียงสักบทเดียวข้อนั้นก็จะเป็นไปเพื่อประโยชน์นะและความสุขแก่เขาตลอดกาลนาน ใช้หลักการของพระศาสดาทั้งสิ้นไม่มีหลักการของสาวกใดๆสาวกแปลว่าผู้ฟังคำสอนจะมาบัญญัติคำสอนไม่ได้นะเราจะใช้หลักการของพระศาสดาดังนั้นทุกเรื่องจะมีจะมีการกระทำภายใต้บทบัญญัติแห่งพระศาสดาทั้งสิ้นนะเราจะทำให้คำสอนของพระพุทธเจ้าเนี่ยเป็นรูปธรรมขึ้นมาให้ปฏิบัติได้จริง และนํามาประพฤติปฏิบัติจริงๆให้เกิดผลจริงๆนะพวกบอกฟังเนืองๆปุ๊บเราจะให้พยายามให้เนี่ยนักเรียนเนี่ยนะถ้ายมทำได้เนี่ยให้เขาอ่านพุทธประจนะหน้าเสาธงหรือตอนประชุมรวมกันทั้งโรงเรียนเนี่ยให้ได้ยินกันทั้งโรงเรียนนะทุกคนจะได้สดับในธรรมของพระศาสดาไปวันละหนึ่งบทหนึ่งบทหนึ่งบทไปเรื่อย ใครมีอินทรีย์ภาวนาดีศรัทธาวริยาสติสมาธิปัญญาเขาจะพ้นทุกได้หลุดพ้นได้สำเร็จประโยชน์และทุกคนจะเป็นผู้ได้สดับในคำของตถาคตคนที่ได้สดับในคำของตถาคตขยบขึ้นมาอีกชั้นหนึ่งปุถุชนผู้ไม่ได้สดับในธรรมไม่มีทางหลุดพ้นได้เลยแต่ถ้าขยบขึ้นมาเป็นปุถุชนผู้ได้สดับในธรรมปุถุชนนะยังไม่ได้บรรลุอะไร แต่ได้สดับในธรรมคนนี้มีโอกาสหลุดพ้นได้ถ้าเขาทําสมาธิได้นะและเขาตายไปผู้เจ้าบอกเขาจะได้ไปเกิดเป็นเทวดาและจะบรรลุธรรมนะปเรณิพานในภพนั้นเขาจะเป็นเทวดาที่เป็นอริบุคุณทันทนะีนี่คือประโยชน์ของการได้สดหรับดังนะนั้นเราจรึงมา พยายามมาให้คนเนี่ยเห็นความสําคัญประเทศเรานับถือศาสนาพุทธบอกว่าเนี่ยนะเรื่องหลักเลยชาติศาสนาพระมหากษัตริย์นะแต่ปรากฏว่าศา ส, สนาพุทธเราเนี่ยที่บอกว่าโอโ้ประเทศไทยเนี่ยเป็นศูนย์กลางของพุทธทั่วโลกแต่กลวงมากเลยเนื้อหาในกลวงมากอย่างญี่ปุ่นเนี่ยมีเป็นร้อยนิกาย พระเขาก็บอกว่าเขาศาสนาพุทธแต่เขาก็มีครอบครัวได้นะเวลาเรามองพระที่เขาบอกว่าเป็นศาสนาพุทธแล้วมีครอบครัวยมรู้สึกยังไงรู้สึกว่าไม่น่าจะใช่ใช่ไหมเวลาในพระในครั้งวิฒิการเขากลับมามองพระในประเทศไทยณนะวันนี้ทานสองมือรับเงินทองนะทาเดลสารวิชาเขาจะรู้สึกยังไงโยม แล้วถ้าเป็นพระพุทธเจ้ากลับมามองพระในประเทศไทยพระพุทธเจ้าจะรู้สึกอย่างไงว่าศาสนาที่ฉันบัญญัติเนี่ยมันเพี้ยนไปขนาดนี้แล้วหรือใช่ไหมเนี่ยอาตมาอยากให้โยมเนี่ยรักพระพุทธเจ้าให้มากขึ้นนะเมื่อโยมรักพระเจ้ามากขึ้นเนี่ยโยมก็อยากจะมารักษาคำของพระองค์อยากจะให้คนเนี่ยได้รู้จักคาของพระองค์ อยากให้คนเนี่ยได้หลุดพ้นพ้นจากความทุกข์จริงๆตามสิ่งที่เราเชื่อและเราศรัทธาเพราะเราศรัทธาเราเชื่อว่าพระพุทธเจ้าตรัสรู้จริงใช่การศรัทธาและการเชื่อของเราจะไม่สูญเปล่าเรากล่าบพระก่อนนอนทุกคืนตื่นมาก็กลาพระนะไปวัดต่างๆก็ไปกล่าบพระแต่ไม่รู้จักว่าพระพุทธเสอนอะไรนะมันเป็นเรื่องน่าแปลกหมใช่ไหม อนี่มันเป็นเรื่องน่าแปลกสำหรับชาวพุทธไทยในปัจจุบันนะงั้นถ้าต่อไปเนี่ยเยาวชนทั้งหลายเนี่ยได้ท่องได้ฟังพุทธวจนะคำสอนแท้ๆที่ไม่มีการปรุงแต่งไปเรื่อยๆไปเรื่อยๆไปเรื่อยๆเก่งแน่นอนอยูนะประเทศชาติเราเนี่ยจะมีความมั่นคงเพราะคนเมื่อมีธรรมะอยู่ในใจพูพุทธเจ้าบอกนี่แหละคืออาวุธในการประหารกิเลส ใครสั่งสมสุดตามากคนนั้นชื่อว่าสั่งสมอาวุธไว ม, มากขนาดนี่เราท่องสุดคุณแม่หนึ่งถึงแม่สิบสองนะยังดำรงชีวิตกันมาได้ขนาดนี้นะนี่ถ้าท่องได้สักแหมนะร้อยแม่นะนนะครึ่งคิดเลยมาต้องใช้เลยนะ <c oughs> จำได้หมดเลยถ้าโยมยิ่งจาคำพรเจ้าได้มากเท่าไหร่เนี่ยนะอาวุธโยงเยอะเลยในการประหารกิเลส เวลาเราโกรดขึ้นมาเวลาเราดีใจเวลาเราเสียใจเราไม่ต้องไปเจอข่าวในหน้าหนังสือพิมพ์ว่าโดดตึกฆ่าตัวตายนะเมาเหล้านะาผิดหวังนะยิงกันฆ่ากันนะการฆ่าการ ข, าารขาโมยการประพฤติผิดในการมการพูดโกหกการดื่มสุรายาเมามันจะไม่เกิดขึ้นเยอะผลเสียของอุบัติเหตุนะ ทางรถยนต์เนี่ยน αι, ในประเทศไทยก็ปีเป็นหมื่นล้านนะเป็นพันล้านหมื่นล้านแมันเพราะอะไรเพราะไม่รักษาสินท่านยเกิดความเสียหายคนไม่รู้เรื่องขับรถเมาไปชนรับเนี่ยก็ได้รับผลกระทบไปด้วยดังนั้นถ้าเราฝึกเยาวชนให้ดีเป็นคนมีศีลธรรม αι, สังคมก็มีความสุขสงบด้วย ตัวของเยาวชนก็สามารถที่จะพ้นจากความทุกข์ความทุกข์ในชีวิตเขาจะลดลงไปลดลงไปจนกระทั่งพ้นทุกข์คือแก่เจ็บตายได้และเขาจะได้เป็นผู้สดับในคำของตถาคตนั่นนี่แหละคือสิ่งที่เราเราคาดหวังนะและเราต้องการให้เป็นไปก็เลยมีการ จัดกิจกรรมต่างๆนี้ขึ้นน ะ, ะพุทธมันสมาคมก็อะพยายามปลักดานให้คนรู้จักน ะ, ะแต่ทีนี้ด้วยความเป็นพุทธที่บางทีก็เป็นพุทธที่ยังไม่ได้ศึกษาคำสัสดาก็เลยพอได้ยินได้ฟังคำสัสดาเอ๊ะใช่ไหมนะหรืออะไรไหมมี question mark แยะมีข้อสงสัยต่างๆ เพราะนั้นถ้าเราได้ศึกษากันจริงจังจงแล้วเนี่ยเราจะเกิดความเข้าใจและเกิดความทราบซึงมากมและคิดว่าโครงการนี้เมื่ อ, อได้รับอนุมัติจากทางกระทรวงมาแล้วเนี่ยโดยรัฐมนตรีเซ็นมาเรียบร้อยให้มีการกระทำตรงนี้อัตราก็คิดว่าเมื่อผู้บริหารระดับสูงเนี่ย ได้มีความเข้าใจเห็นด้วยเนี่ยมาก็คิดว่ามันจะเป็นประโยชน์ต่อหมู่มหาชนจำนวนมากพอพระพุทเจ้าบอกว่าผู้นำเนี่ยสำคัญมากถ้าผู้นำนำผิดเนี่ยมันจะผิดกันไปหมดเลยและทุกคนเนี่ยก็เท่ากับว่าทุกคนเป็นผู้นำเหมือนกันบางคนก็เป็นผู้นำในครอบครัวเป็นผู้นำในองค์กรของตัวเองเนะเป็นผู้นำระดับต่างๆสูงขึ้นสูงขึ้นไปเรื่อย มีผู้เกี่ยวข้องกับเรามากขึ้นมากขึ้นมากขึ้ น, นเราลองกลับมาดูว่าในฐานะที่เราเป็นผู้นำของสังคมไม่ว่าระดับใดก็ตามเราจะนำพาผู้ใต้บังคับบัญชาของเราไปในทางที่ถูกหรือทางที่ผิดเราจะให้ยาพิษเขาหรือว่าให้สิ่งที่ดีที่สุดกับเขาใช่ไหมเพราะฉะนั้น <c oughs> ถ้ายอมเป็นคนที่เผยแผ่ทำสอน ย่อมจะเผยแผ่คําสอนที่ถูกต้องหรือเผยแพร่คําสอนที่ผิดน ะ, ะลูกๆหลัลงๆนี่คําสอนผิดนะคําสอนปรุงแต่งไหมเอาไปอ่านไปซ่าไปท่องซ่าอย่างนี้โอ้โหน่าเสียดายแต่ในวันนี้เราทําด้วยความไม่รู้ไงเราคิดว่าอูโหนี่คําสอนนี่ถูกต้องเลยพ่อพระก็สอนมาแต่พระดันจํามาผิดนะผู้เจ้าจึงบอกว่าเวลาฟังคําใครแล้วเนี่ยอย่ารับลองอย่าคัดค้ารเ น, นีเอามาเทียบกับคำตถาคตซะก่อนถ้าก็อ้างว่า ของตถาคตเนี่ยเอมันใช่หรือเปล่าจริงหรือเปล่าดังนั้นอาตมามาพูดวันนี้นะบางทีมันอาจจะไม่ตรงกับที่โยมได้ยินมาได้ฟังมาอาตมาก็เลยต้องอัดดูหลักฐานก่อนนะหลักฐานมาจากไหนอะไรมาจากไหนไล่เรียงลําดับให้เป็นที่เข้าใจและหลักฐานทั้งหมดนี้เราสามารถตรวจได้เพราะณนะวันนี้หลักฐานทั้งหมดนี้ยังมีอยู่นะยังมีอยู่อย่างสมบูรณ์หมด นั่นเราจะเห็นว่าเป็นบารมีของพระสัสดาแท้เลยที่ทำให้สองพันกว่าปีนี้หลักฐานเนี่ยคำสอนของพระองค์ยังไม่สูญหายไปไหนนะมีเป็นจำนวนมากที่ยังหลงเหลืออยู่แล้วก็สอดรับกันทั้งหมดนะ <c oughs> จนเราสามารถนำคำสอนของพระเจ้าเนี่ยมาทำเป็นหนังสือเล่มเล็กๆอย่างเนี้ยนะได้เยอะแยะไปหมดแล้วก็ ทำเป็นหนังสือเล่มใหญ่อย่างนี้นะอ่อพุทธวจนะสามสิบสามเล่ม น, นะทำเป็นหนังสืออย่างนี้ภพภูมินะภพภูมิจริงจริงเนี่ยเป็นยังไงเปลยพิสัยเป็นยังไงนะอืมเทวดาเป็นยังไงนะยักษ์เป็นยังไงมนุษย์มีกี่ประเภททำกรรมอะไรแล้วไปได้อะไรใครบัญญัติพระพุทธเจ้าบัญญัติ และผู้เจ้าบัญญัติอะไรไว้ในนี้มีบอกไปให้ให้พวกเราได้ทราบนะโดยออกจากปากกระถาคตไม่ได้ออกจากปากของใครไม่เคยมีนะใครทำมาก่อนดังนั้นน่าจะเป็นเล่มเดียวในโลกนะที่รวบรวมเกี่ยวกับเรื่องภพภูมิที่ศาสนาอรหันตะสัมมาสัมพุทธเจ้าได้บัญญัติเอาไว้นั้นเราจะได้ทราบ ฟังมานานแล้วเปรืเป็นอย่างนี้นอสุรกายอะไรเป็นยังไงเทวดาเป็นยังไงแต่ดูพระพุทธเจ้า ว, ว่าอย่างไหนนั้นเราจะได้เปิดโลกประทัดใหม่กลับไปหาของเก่าคือพุถุพจนะ์ว่าคําแท้ของพระองค์นั้นสอนอย่างไรเราจะได้ถ่ายทอดให้เยาวชนได้ถูกต้องว่าอ๋อเปลืเป็นอย่างนี้นะเป็นชิ้นเนื้อที่ลอยไปในอากาศเป็นโครงกระดูกที่ลอยไปในอากาศอย่างนี้ มีหลายลักษณะมากเราจะได้สอนได้ถูกต้องเทวดาเป็นยังไงเทวดาอยู่ในต้นไม้เนี่ยอยู่ในต้นไม้ประเภทไหนออกต้นไม้ที่มีกลิ่นอย่างนี้กลิ่นที่ล่ากที่ใบที่แก่นที่ดอกอย่างนี้นทําเหตุปัจจัยอะไรจึงได้ไปเป็นเทวดาเทวดาดีไหมดีมีความสุขไหมมีแต่ตายไหมตายพรมตายไหมตายเทวลาพรมตายหมดตายแล้วพ้นนรกไหมไม่พ้นเอ เด็กๆเรา ก, ก็ได้ทราบแล้วโอ้อยากไปเกิดเป็นเทวดาเทวดาก็ตายเหมือนกันนะไม่น่าเกิดละมนุษย์ก็ตายเทวดาก็ตายแล้วหน้าไปเป็นอะไรล่ะโอ้หน้าได้นิพพานคือความไม่ตายนี่พระเจ้าให้สแสวงหานิพพานคือความไม่ตายนะเพราะนั้นเรื่องพรภูมิก็มีประโยชน์อะไรที่ไม่มีประโยชน์พระเจ้าจะไม่พูดหลุดออกจากปากเด็ดขาด น, นะพระองค์ยืนยันเลยว่าพระองค์จะพูดแต่คําพูดที่ประกอบด้วยประโยชน์ เท่านั้นนะดังนั้นให้มั่นใจได้ว่าสิ่งใดที่ออกจากปากพระศาสดาแล้วไม่มีประโยชน์ไม่มียมอ่านวันลพระสูตรก็ได้นะนะหรือให้นักเรียนอ่านวันละพระสูตรไปเรื่อยเรื่อยทุกคนจะได้ยินได้ฟังเรื่องพบกลุ่อ ะ, อะเปรววิสัยเป็นยังไงสันนรกเป็นยังไงทำกรรมอะไรไปสูน่นรกนะ แก้ได้ไหมคนที่ทําชั่วมาแล้วจะได้รู้สึกว่าเออมันมีผ ล, ลเราสามารถมีหนทางออกจากอบายทุกติวินิบาตนาลกไดนะ้ไม่ใช่ไม่มีหนทางออกแล้วเราไปไหว้อีสานนางไม้เทวดาอะไรนะ่ะจําเป็นไหมอ๋อไม่จําเป็นนะเพราะว่าเขาเป็นเพียงเพื่อนร่วมร่วมเกิดแก่เจ็บตายตายเหมือนกับเรานี่แหละนะยังมีกิเลสเป็นปุถิชน นั้นสิ่งที่เขาควรจะศรัทธาคืออะไรประพฤติประธรรมผสมไม่ใช่ไปศรัทธาภูเขาลูกคาเจดีสวนป่าศักดิ์สิทธิน์นะนั้นเขาจะถูกกล่อมกล่าวในสิ่งที่ถูกต้องกรรมไม่ได้เกิดจากผู้อื่นบันดาล น, นะผู้เจ้าตรัาไว้น ะ, ะเราไม่ต้องปิดบนบางสารกล่าว ทำความดีนี่แหละทางกายทางวาจาทางจิตไม่ใช่ว่าสิ่งที่ดีจะเกิดขึ้นกับเราต้องไปบนซะก่อนนะต้องไปเปลี่ยนสีลบเปลี่ยนสีบ้านใส่สีเสื้ อ, อย่างนี้นะหรือดูเลิกดูยามอย่างนั้นอย่างนี้นะเรากำลังเข้าใจผิดนะเราจะได้สอนสิ่งที่ถูกต้องให้กับเยาวชนของเรานะ อันนี้คือประโยชน์ของการศึกษาพุทธวัฒน ะ, ะนั้นก็ให้เข้าใจว่าทําไมต้องพุทธวันะนะอ่าดีไหมอันนี้มีใครมีก็สงสัยสักถามก็เชิญได้นะขอโอกาสพระอาจารย์ค่ะเอ่อเมื่อกี้สัญญากับนักเรียนทั้งหลายว่าผู้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดจะเปิดโอกาสให้นักเรียนได้ถามคําถามที่ตัวเองสงสัยกับพระอาจารย์ค่ะขอโอกาสค่ะ เป็นโอ ก, กาสอันดีแล้วนะลูกใครถามยกมือใครอยากถามยกมือถามได้ทุกคำถามพระพุทธเจ้ามีคำตอบและท่านพระอาจารย์จะเป็นคนถ่ายทอดคำสอนของพระ อ, องค์ยกมือแล้วก็จะส่งไม่ไปค่ะนักเรียนก่อนไหมคะผู้นำขอโอกาสค่ะพระอาจารย์ ทำไมพระพุทธเจ้าถึงสอนอะไรไม่ผิดเลยนี่จะเป็นในพระสูตรที่หนึ่งะที่ประธานนักเรียนได้เรียนตามพระคุณเจ้าเจะอยู่ในพระสูตรที่หนึ่ง พอาจารย์ครับขอกราบหนึ่งพระองค์ทรงสาหนาะ้ากำหนดสมาธิเมื่อจะพูดทุกต้อยคำจึงไม่ผิดพลาดอาชีเวสนะเรานั่นหรือจำเดิมแต่เริ่มแสดงกะทั้งคำสุดท้ายแห่งการกล่าวเรื่องนั้นนั้นเริ่มตั้งไว้ซึ่งจิต ในสมาธินิมิตมันเป็นภายในยโดยเทให้จิต ด, ดำลมอยู่ให้จิตตั้งมั่นอยู่กะทำให้มีจิตเป็นเอกดังเช่นที่คนทั้งหลายเคยได้ยินว่าเรากะทำอยู่เป็นปะจจาดดำนี้อืได้คำตอบไหมนี่อย่างหนึ่งนะทนี้การกาหนดสมาธิทุกครั้งในการพูดไม่ให้ผิดพลาดเนี่ย ก็เป็นเพราะว่าพระผู้มีพระภาคเจ้าของเราเนี่ยการที่เป็นพระพุทธเจ้าเพราะอะไรเพราะพระองค์เนี่ยเป็นผู้ที่ตรัสรู้ได้โดยพระองค์เองฤาษีโยคียทั้งหลายเนี่ยออกสแสวงหาความไม่ตายกันทั้งนั้นน ะ, นะทุกคนเนี่ยอยากหาความรู้แต่เป็นความรู้ทางโลกแต่มีคนกลุ่มหนึ่งที่เห็นว่าเอ๊ะทำไมมนุษย์มันตายตายตา ย, ตายเรื่อย ก็เลยอยากจะหาว่าไม่ตายเนี่ยมีไหมก็ออกสแสวงหาความไม่ตายแต่คนที่เจอคือพระพุทธเจ้า น, น, นั้นพระพุทธเจ้าเนี่ยค้นพบความไม่ตายเรียกว่าตรัสรู้หนทางที่เข้าสู่อมาตะธรรมคือความไม่ตายและเมื่อได้ตรัสรู้เป็นพระเจ้าแล้วเนี่ยการพูดจะไม่ผิดเป็นคนเดียวในโลกที่นานๆจะเกิดขึ้นทีเป็นสัพพัญยุเรียกว่าเป็นสัพพัญยุผู้เดียวในโลก ที่เหลือคือฟังคำต ถ, ถาคตแล้วประพฤติปฏิบัติตามเอาไปไข้ควรไข้ควรแล้วจะเข้าใจได้เองอย่างนี้นะเชิญเชิญเลยค่ะเป็นโอกาสที่ดีแล้วลูกถามได้เลยลูกสงสัยอะไรถามได้เลยข้างหน้าถามไหมคะข้างหน้าไม่ถามเพราะไม่สงสัยหรือว่าไม่กล้าลูก มันจะมีโอกาสอย่างนี้น้อยครั้งมากเพราะว่าป้าอั้นกับลุงตาลเป็นพิธีกรมาตอบไม่ได้แบบท่านพระอาจารย์นะลูกเป็นโอกาสอันดีถามได้ทุกคำถามลูกงั้นขอโอกาสจะผมขออนุญาตถามนำครับก่อนหน้านี้มีโปรกับ น, น้องๆไปว่าเรื่องของอย่างเช่นต้ะมู่บูชานะครับที่เราอยู่ด้านหลังที่ทงเวทีเนะี่ย ผู้เจ้ามีบัญญัติไหยครับว่าทําไมต้องมีโต๊ะหมู่บูชาเดี๋ยวนี้เรามีทั้งห ม, ม, มู<อ>่เจ็ดหมู่เก้ามีเทียนมีธูปด้วย<อ>พู้เจ้าบัญญัติไหมครับต้องมีอะไรยังไงบ้างไม่มีเลยจริงๆไม่มีเลยยิ่งถ้าโยมไปอ่ายิ่งเรื่องอย่างพระพุทธรูปเนี่ยก็จะไม่มีบัญญัติในในครั้งบูชการไม่มีถ้าโยมไปในเชตวันมหาวิหารน่ะวัดเชตวันที่ผู้เจ้าเนี่ย จำภรรษาอยู่มากโนะยมลองดูว่าหนึ่งผู้เจ้าไม่เคยบัญญัติเรื่องพระพุทธรูปโนะยมเข้าไปในเชตวันโยมจะเจออะไรนะก็จะเจอแต่สิ่งปลูกสร้างธรรมดาเกลี้ยงเลียงนะถ้าเจอเทียนก็เพื่อให้ความสว่างนะส่วนเรื่องทูปไม่ได้มีบัญญัติอะไรนะและพระพุทธรูปเนี่ยไม่มีแน่นอนนะแล้วก็โต๊ะหมู่อะไรก็ ไม่รู้จะเอาโต๊ะมาตั้งอะไรใช่ไหมโต๊ะที่ตั้งก็คือเอาไว้ภิกษุนั่งแสดงธรรมนะเป็นแท่นหินหรือจะเป็นโต๊ะเป็นอะไรก็ตามเป็นอาสนะอย่างนี้นะมันเรื่องราวเกี่ยวกับเรื่องราวเกี่ยวกับพระพุทธรูปเนี่ยมันมาทีหลังแล้วมันก็มีพิธีกรรมเกี่ยวกับพระพุทธรูปติดตามมามากมายว่ามีพระต้องเบิกเนตร ต้องมีพิธีปลุกเสกต้องมีอะไรต่ออะไรซึ่งสิ่งเหล่านี้พระเจ้าไม่ได้รับรองเลยไม่ได้ปัญญัติเนี่ยนะงั้นการบูชาพระพุทธรูปเราจะจุดธูปหรือไม่จุดธูปก็ได้ถูกไหมครับไม่ต้องไม่ต้องจุดถ้าว่าไปท่านจริงเท่านั้นไม่เป็นไรจะสามดอกจะห้าดอกหดอกไม่ต้องไม่มีจำกัดไม่ไม่ต้องทำเลยก็ได้การมีพระพุทธรูปเนี่ย เป็นสัญลักษณ์แทนพระพุทธเจ้าที่เร า, เาทําขึ้นมาใช่ไหมดังนั้นถ้าเราจะกราบพระพุทธรูปให้กราบอย่างถูกต้องคือกราบด้วยความระลึกถึงพระพุทธพระธรรมและพระสงฆ์แต่อย่ากรกาบโดยรู้สึกว่าตรงนั้นเนี่ยเป็นก้อนศักดิ์สิทธิ์ที่ดนบันดาลอะไรได้นะถ้าเราคิดอย่างนั้นปุ๊บเนี่ยจะเข้าสู่มิจฉาทิฏฐิทันทีว่ากรรมและสุขทุกข์เกิดจากผู้อื่นบันดาล จะมีวัตถุศักดิ์สิทธิ์สวนป่าศักดิ์สิทธิ์ภูเขาศักดิ์สิทธิ์รุกขเจดียศักดิ์สิทธิ์ที่พระเจ้าบัญญัติเอาไว้ว่ามนุษย์เป็นนั้นมากเนี่ยเมื่อถูกภัยหรือความโกลคุกคามแล้วย่อมถือเอาภูเขาบ้างป่าไม้บ้างสวนศักดิ์สิทธิ์บ้างรุกขเจดีย์บ้างเป็นสารณะนั่นไม่ใช่สารณะอันเกษตรนั้นไม่ใช่ที่พึ่งอันสูงสุดเขาอาศัยที่พึ่งเหล่านั้นแล้วเนี่ยไม่อาจหลุดพ้นไปจากความทุกข์ได้นั้นไม่มีลูกปั้นศักดิ์สิทธิ์ สิ่งที่จะดนบันดาลนะให้เราเป็นอะไรในอนาคตเนี่ยคือกรรมกรรมทางกายวาจาจิตของเราพระเจ้าจึงบอกเราทั้งหลายเนี่ยเป็นทายาทแห่งกรรมมีกรรมเป็นผักมีกรรมเป็นที่พึ่งอาศัยนะเห็นไหมแล้วคนก็จะหลีกออกจากหลักที่ที่พระเจ้าบัญญัติไปพึ่งสิ่งอื่นหมดเลยนะเราก็เลยทํากรรมชั่วแล้วก็ไปบ่นบอกว่าขอให้ทุกอย่างเรียบร้อยนะอ่าเข้าใจผิด นะอ่เพราะนะฉะนั้นชาวพูดกกำลังเดินไปสู่มิจฉาทิฏฐิเต็มเลยเนหะ็นไหมั้นถึงแม้เราจะมีอะไรเป็นสั ญ, ญลักษณ์ก็ตามนะอะไรก็ได้นะถ้าเกิดคิดว่าอยากจะมีสั ญ, ญลักษณ์ก็มีไปนะตัวสั ญ, ญลักษณ์เนี่ยพุทธเจ้าตรัสไว้ในเรื่องของถูปาราบุคคลบุคคลผู้สมควรทำสถุภะให้เวลาเขาตายแล้วเราเผาเขาเนี่ยนะ สมควรทำสถูกหรือสั ญ, ญลักษณ์ที่เป้าให้เขาเนี่ยไหมอ่าสี่บุคคลคือพระพรุทธเจ้าพระปัจเจกพุทธเจ้านะสาวกของตถาคตแล้วก็พระเจ้าจากักรพรรดินะที่เหลือไม่จำเป็นต้องทําก็ได้นะแต่เขาเป็นสี่บุคคลเนี้ยสมควรทํนะั้นเวลาเราเข้าไปสู่สถูกของบุคคลเนี้ยเราไม่ได้คิดว่าสถูสกศักดิ์สิทธิ์นะแต่เราละลึกถึงว่า คนคนนี้เคยสร้างคุณงามความดีและประโยชน์อะไรไว้บนโลกมีบ้างเขาถึงแหม่ก่อสร้างอะไรเป็นสัญลักษณ์ให้เวลาตายใช่ไหมอ่าเมื่อเข้าไปก็ศึกษาอ๋อคนนี้เป็นพระพุทธเจ้ามีการสอนว่าอย่างนี้อย่างนี้อเลสสัตวี่เป็นอย่างนี้มักมีหงแปดเป็นอย่างนี้เอออ่านแล้วเข้าท่าเนาะดีเนาะนำมาประพฤติปฏิบัติเอ้าหลุดพ้นได้เหนะ็นนะนี่ประโยชน์นะตัวคําสอนนี่แหละคือตัวประโยชน์ พระเจ้าจึงบอกคำสอนเนี่ยเป็นศาสดาแทนพระองค์ไม่ใช่รูปปั้นเป็นศาสดาแทนพระองค์นะโยมมีรูปปั้นเนี่ยเต็มประเทศไปหมดเลยแต่ไม่รู้คำสอนเลยข้อปฏิบัติผิดหมดเลยแล้วรูปปั้นมาเตือนโยมได้ไหมเตือนไม่ได้นะมาส ก, กิดโยมหมด น, นี่นีี่พิธีนี้ผิดนะเนี่ยใช่ไพระปฏิบัติอย่างนี้ผิดบอกไม่ได้เลยโยม เนื้อคําสอนเนี่ยที่พวกนักเรียนทั้งหลายท่องเนี่ยนี่แหละนี่แหละที่ตัวศาสนานะพระเจ้าจึงบอกกับอนนุ์เนี่ยว่าทและ ว, วินัยเนี่ยจะเป็นศาสดาของพวกเธอทั้งหลายต่อไปโดยการลุกไปของเราเห็นนะต้องแบบอย่างนี้นั้นเรากราบโดยที่ไม่ต้องมีพระพิทธรูปก็ได้ในการกราบก็ยังได้บ้านว่างๆเนี่ยไม่มีตังซื้อพระพุทธรูปเลยทําไงอ่ะอย่างนี้ก็ศรัทธาพระเจ้าไม่ได้อสินะไม่เป็นไรกราบอากาศว่างๆนี่แหละ เจตนาละเล็กถึงพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์สำเร็จประโยชน์แล้วนะมีหนังสือพุทธวจนะนั่งอ่านในห้องว่างๆเนี่ยระพุทธธรรมสมควรแก่ทมปฏิบัติชอบยิ่งปฏิบัติตามธรรมอยู่พระศาสด า, า, าบอกว่าชื่อว่าเธอเคารพนับถือบูชาตถาคต ด, ด้วยการบูชาอันสูงสุดนะนี่เราไม่มีอะไรเลยประหยัดสุดเลยเย่นะใช่ไหมอย่างนี้คนจน ไม่มีตังค์ซื้อพระพุทธรูปก็เป็นศาสนาพุทธไม่ได้สิเป็นพุทธบริษัทไม่ได้ใช่ไหมเป็นได้อยู่เป็นได้ใจเจตนาไม่ต้องมีอุปกรณ์อะไรอาศัยกายวาจาใจของฉันนี่แหละบูชาพระพุทธเจ้าด้วยการประพฤติปฏิบัติปฏิบัติทาสมควรแก่ทำนะอย่างที่พรเจ้าตรัสไว้อานนท์นะ ภิกษุภิกษุณีอุบาสกอุบาสิกาใดประพฤติ ธ, ธรรมสมควรแก่ธรรมปฏิบัติชอบยิ่งปฏิบัติตามธรรมอยู่ผู้นั้นชื่อว่าย่อมสักการะเคารพนับถือบูชาตถาคตด้วยการบูชาอันสูงสุดอานุ น, น, นเพราะฉะนั้นเธอพึงกําหนดใจว่าเราจะประพฤติ ธ, ธรรมสมควรแก่ธรรมปฏิบัติชอบยิ่งปฏิบัติตามธรรมอยู่ดังนี้ไม่ใช่พระองค์บอกว่า เธอต้องกราบตถาคตวันละสามเวลานะไม่ได้บอกเลยนะเนี่ยปฏิบัติธรรมนะรักษาศีลห้าเจริญอาณาปานสติคอยละนันทีคือความเพลินทำแค่นิยมสุดยอดแล้วนะนีน่คือว่าการปฏิบัติธรรมคือการบูชาพระพุทธเจ้าอย่างสูงสุดแม้จะไม่มีอาการกราบก็ตามใช่ ทีนี้ในส่วนอผู้เจ้าบอกว่าทําวิเัยเป็นครในทางตนข้ามครับยมกราบตลอดเลยนะแต่ศีลไม่เคยรักษาสมาธิไม่เคยนั่งธรรมะไม่เคยรู้ศีลห้ารับตลอดแต่พอลุกจากวันแล้วไม่ได้ปฏิบัติเลย่อันนั้นก็ไม่ใช่การบูชาไม่ได้บูชาไม่ได้นับถือไม่ได้นับถือเลยนะออย่าบอกว่านับถือนะผู้เจ้าพูดครบนะเคารพ นับถือด้วยนะอะครับบูชาด้วยน ะ, ะเห็นน ะ, ะเราต้องแกะทุกคํานั้นเนี่ยอไม่ใช่กราบวันละสามวันละสามเวลารวมก่อนนอนอีก<ช>แต่ถ้าไม่ได้ปฏิบัติธรรมเลยก็ถือว่ า, าไม่ได้เคารพพุทไม่ได้เคารพไม่ได้นับถือไม่ได้นับถือเลยอช่แต่ว่าไม่ใช่ศาสนาพุทธเลยก็าอาจจะพูดได้พูดได้เห<ด>มือนกันที่ได้พผู้เจ้าตรัสว่าพระธรรมวินัยเป็นเสมือนตัวแทนพระองค์เลย เป็นศาสดาแทนหลังจากที่พระพุทธเจ้าปรินิพานแล้วฮงั้นเราไม่มีโต๊ะหมูบูชาแต่ทำยิ่งวางหนังสืออาหนังสือพุทธวจนะวางเราอ่านใช่ท่องแล้วก็กราบหิ้งหนังสือนั้นเลยก็ได้เหมือนกันใช่อาตมาคิดอยู่เนี่ยในอนาคตเนี่ยอาตมาจะทําเนี่ยแทนหนังสือเนี่ยนี่ออกแบบไปแล้วมีพระอยู่รูปหนึ่งนี่ท่านจะออกไปตั้งวัดใหม่แล้วท่านมาศึกษาอยู่ที่วัดอาตมาเนี่ยนานพอสมควรนะ แล้วท่านก็จ อ, อกไปตังท่านบอกอาจารย์ครับผมจะออกแบบศาลายังไงดีอาแ้วท่านก็มีแบบศาลามาแล้วไอ้ที่บูชาเนี่ยจะทำยังไงดีอาบอกเดี๋ยวออกแบบให้อะไรก็ออกแบบเป็นแท่นสามแท่นเลยแท่นที่หนึ่งพระธรรมบอกท่านทำสามสิบสามเล่มเนี่ยไปวางเรียงกันไว้เลยสามสามเล่มตัวพระธรรมพุทธวจนะสามสสามเล่มแท่นที่สองเนี่ย <c oughs> เป็นแท่นโลง่ลง พระพุทธเจ้าเนี่ยพระพุทธเจ้าเนี่ยเคารพพระธรรมนะพระธรรมสูงสุดนะพระพุทธเจ้าเนีเป็นท่านบางว่าแล้วก็อีกท่านหนึ่งเนี่ยพระสงฆ์นะสัญลักษณ์แทนพระสงฆ์ที่พระเจ้าบอกไว้ก็คือบาดจีวรภิกษุมีบาดเป็นเครื่องบริหารท้องจีวรเป็นเครื่องบริหารกายท่านที่สาเนี่ยวางบาดจีวรเอาไว้นะอ่านั้นพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ครบนะอ่านี้คือ ท่านที่บูชาใหม่ของเรา <laughs> ขออนุญาตสรุปตรงคําว่าพระพุทธเจ้าก็เคารพพระธรรมใช่เราจะเวลาที่เราเกล่าวถึงเราจะพูดพระพุทธก่อ น, อนพระธรรมพระสงค์นในความรู้สึกของคนไทยชาโดยเฉพาะชาวพุทธเขจะรู้สึกว่าอ๋อพระพุทธนี่สูงสดุดพระธรรมองมาแต่อ๋อจริงๆแล้ ว, พ, วรพระเจ้าเคารพพระธรรมอีกทีหนึ่งใช่แล้วท่านเองก็เคยตรัสว่าท่าน ความเป็นอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าก็ได้มาด้วยพระธรรมเหมือนกันก็คือมรรคแหย่ใช่ฉะนั้นจริงๆแล้วเราเคารพพระธรรมนี่คือสูงสุด ส, สดู่สุ ด, สดละใช่เพราะพระธรรมกับพระเจ้าก็คือเนื้อเดียวกันหนึ่งเดียวกันผู้ใดเห็นธรรมผู้นั้นเห็นเราตัวธรรมะกับตัวพระเจ้าก็คือหนึ่งเดียวกัน อ, อย่างนี้ครับอ่าทีนี้มีก่อนหน้านี้มีคุยกับน้องๆไปเรื่องของสมาธิที่ว่าจิตที่เป็นสมาธิเนี่ยอ่า ให้ทุกสิ่งสมปรานนาแล้วเมื่อกี้ก็บอกน้องๆไปว่าถ้าอยากเตือนเก่งๆก็ให้ทำสมาธิ uh huh. แต่เดี๋ยวเพิ่มนิดนึงนะไม่ใช่ว่ากลับไปบ้านแล้วนั่งหลับตาอย่างเดียวยันเช้าเลยนะขออนุญาติาจารค่ะมีคนมีนักเรียนจะถามใช่ไหมคะโอเคโอเค่เคะน้องจะถามใช่ไหม ขอโอโกาสค่ะพระอาจารย์พาที่บิณฑบาตตอนเช้าและเก็บมาไว้ฉันเพลและที่เขาถวายปัจจัยและเก็บไว้อะคะ่ะนี่มันผิดอีกไหมคะ ม, มีมีความผิดตามบทบัญญัติพระศาสดานะพระพุทธเจ้าบอกว่านะอันหนึ่งภิกษุใ ด, ดฉันเสร็จห้ามเสียแล้วเคี้ยวก็ดีฉันก็ดีซึ่งของเคี้ยวก็ดีของฉันก็ดีอันมิเชเด่นเป็นปาจิตต ดังนั้นพระที่ฉันมือสองโดยไม่ใช้อาหารเดนเนี่ยจะเป็นอาบัติปราชิตีนะก็คือบทบัญญัติตรงนี้นะเพราะพระที่ฉันนะเกือบทุกรูปอยู่แล้วเมื่อฉันครั้งที่หนึ่งเนี่ยฉันเสร็จเนี่ยมีใครนั่งแช่อยู่ตรงที่นั่งฉันแล้วรอมือที่สองต่อมไม่เคยเจอเนอะฉันเสร็จก็ลุกทำโน่นทานี้ ผูเจ้าบอกการลุกขึ้นจากอาสนะเป็นอันห้ามพัดด้วยเป็นอันบอกว่าเราเนี่ยอิ่มแล้วและเมื่อเรากําหนดหมายในใจหรือรู้สึกว่าเราอิ่มแล้วเนี่ยกลับไปฉันมือที่สองต่อเนี่ยไม่ได้จะถูกปรับอวบประสิทธตีทันทีได้ไหมั้ำพระทัยการคุณเจ้าผมนายสมบูรณ์ตัวนภูมิผู้อำนวยการโรงเรียนชลชนริเศษชาติ <c oughs> ขอกล้าเพนถามคุณเจ้าว่าพระในยุคปัจจุบันเนี่ยอขอได้สมณศักดิ์ก็มีญาติโยมมีการจัดฉลองสมณศักดิ<า>์กันทั่วประเทศ อ, <า>อันนี้คือกระพีของศาสนาพวกเราใช่ไหมไม่ใช่กระพีโ ย, ยมมันไม่ใช่คำสอนเลยไม่มีเลยไม่ไม่ไม่ติดเปลือกเล ย, เ, เ, ลยเพราะว่ากระพีเปลือกนะ แกนอะไรพวกนี้นี่ผู้เจ้าเป็นคนบัญญัติได้หมดแล้วกระพี้คืออะไรนะแกนคืออะไรให้เปลือกคืออะไรเนี่ยผู้เจ้าบัญญัติหมดแต่นี่ไม่ใช่เลยนะไม่เกี่ยวกันเลยผู้เจ้าตัดกับนาคิตะว่านาคิตะยศอย่าต้องมาเกี่ยวข้องกับเราเลยเราอย่าต้องไปเกี่ยวข้องกับยศเลยพระจะมียศได้ยังไงโยมในเมื่อผู้เจ้าเนี่ยไม่เอานะและผู้เจ้าก็บอกเลยว่าลาบสักการะและเสียงเย็นยอ เป็นอันตรายที่ทารุนแสบเผ็ดอยาบคายต่อการบรรลุพระนิพพานอันเป็นธรรมกเกษมจากโยคะไม่มีธรรมอื่นยิ่งกว่าเห็นไหมอันนี้ก็แสดงว่าคณะที่เฮส์สมาคมแต่งตั้งนี่ก็ผิดหมดเลยใช่ไหมไม่ตรงตามที่ศาสดาบัญญัติน ะ, ะแต่ทีนี้การจะปรับปรุงเปลี่ยนแปลงงโยงหลักในการทำเนี่ย ให้เขาเข้าใจพุทธวจนะซะก่อนเพราะไม่งั้นต่างคนต่างจะอ้างอาจารย์ฉันบอกอย่างนี้อาจารย์ฉันอย่างนี้ทุกคนตอนเนี้ยนะอ้างอาจารย์ตัวเองหมดเลยอ้างไม่ถึงพระพุทธเจ้าดังนั้นโยมไม่มีทางแก้ปัญหาอะไรได้เพราะเรายังไม่มีศรัทธาร่วมกันคือพระพุทธเจ้าวิธีง่ายๆแต่อาจใช้เวลาเนิ่นนา น, านพอสมควรคือให้พระ ให้พุทธบ ร, ริษัทรู้จักพุทธวจนะก่อนยอมรับว่าพุทธวจนะเท่านั้นนะดีที่สุดถูกต้องที่สุดถ้าทำได้แล้วเนี่ยยมจะแก้อะไรก็ได้ได้หมดเลยยศไม่เอาใช่ไม้มอา้าวใครบอกไม่เอาพระพุทธเจ้าบอกโอเคถ้างั้นไม่เอายกเลยเห็นไหมเหมือนกับพระธนญญานะเขาทำกุฏิดินเผาขึ้นมา <c oughs> พเจ้าเห็นสั่งพระให้ไปทุก พระท่านนิยามมาเจอเอา้าทุกุติผมทําไมพระพุทธเจ้าสั่งงั้นเชิญทุกนี่เห็นไหมเขายอมพระพุทธเจ้าเอ๊ะสมณศักดิ์ไม่ควรมีนะยศตําแหน่งไม่ควรมีอา้าใครสั่งนะพระพุทธเจ้าสั่งโอเคงั้นเชิญยกเลยนี่มันจะทําได้แต่นี้บอกโอ้ไม่ได้กฎหมายบอกโอ้ไม่ได้อันนี้บอกอันนี้บอกไม่มีทางแก้ได้หลายอย่างต้องให้คนศรัทธาในพระพุทธเจ้าก่อนต้องให้พระ ที่มีสมณศักดิ์เองเนี่ยชัดเจนในคําพระสัจจาแล้วเขาจะเปลี่ยนเองเขาจะบอกโอ้ groans, ผมไม่อยากได้แล้วกันนี้นะผมขอเป็นพระธรรมดาแล้วกันเนี่ยให้เขาเกิดขึ้นมาจากจิตใจของเขาเองใช่ไหมาบบนักการบ้าจานจะขอโอกาสพระอาจารย์ถามค<ๆ>ําถามพระอาจารย์สักหลายข้อข้อแรกก็คือพระพุทธเจ้านี่คือบุคคลที่ ตัดสูญได้ด้วยตนเองแล้วพ ร, พระอรหันกับพระพุทธเจ้านี่ต่างกันยังไงครับอ๋อพเจ้าตรอดไว้อยู่นะพระองค์บอกเลยว่าความเป็นพระอรหันเนี่ยกับความเป็นพระเจ้าต่างกันยังไงพระองค์บอกตถาคตเนี่ยเป็นมรคัญอยู่คือรู้มร ก, ก่อนเป็นมรควิทูรู้แจ้งในมรคและเป็นมรคคโกวิทโธคือฉลาดในมรค ส่วนสาวกทั้งหลายในการนี้เธอเป็นเพียงมักขานุคาผู้เดินตามเท่านั้นเดินตามมาในภายหลังนี้แลเป็นความผิดแตกแตกต่างกันเป็นความมุ่งหมายที่แตกต่างกันเป็นเครื่องกระทําให้เกิดความแตกต่างกันระหว่างใครตถาคตผู้อรันตสัมมาสามพุทธเจ้ากับภิกษุผู้ปัญญาวิมุตต์นะวิมุตต์การหลุดพน้นหลุดพ้นด้วยปัญญาเป็นพระหรหันต์เป็นพระหรหันต์ด้วยลักษณะปัญญาวิมุตติฉลาดมาก พระพุทธเจ้าเนี่ยพระหลานประเภทพระเจ้าต่างกันยังไงนี่ต่างกันอย่างนี้นะพระหลานทั้งหลายเนี่ยเดินตามเดินตามเนี่ยเหมือนคนในห้องเนี่ยเดินตามเก่งถึงที่หมายเก่งเก่งแค่เดินตามนะไม่ใช่สอนเก่งน ะ, ะคนสอนเนี่ยคือพระพุทธเจ้านะเนี่ยชัดเจนตรงนี้พระเจ้าตัดไว้คือคําสอนของพระราหารัลานถึงจะสอนได้ก็ไม่ไม่ไม่เก่งพระพุทธเจ้าใช่ไหมครับคําสอนพระหลานมีไม่ได้เยอะ เพราะพระุทธเจ้าไม่อนุญาตให้ภิกษุบัญญัติหรือภาสิท์อะไรขึ้นมานะพระพุทธเจ้าตรัสไปเลยบอกภิกษุทั้งหลายภิกษุทั้งหลายจักไม่บัญญัติสิ่งที่ไม่เคยบัญญัติพระรหลานภิกษุทั้งหลายไหมนั่งประชุมกันเนี่ยเป็นพันๆเนี่ยภิกษุทั้งหลายตั้งแต่ภิกษุอุตุชนโสดาสกิทาคานาคาพระหานภิกษุทั้งหลายหมดจําไว้นะภิกษุทั้งหลายจักไม่บัญญัติสิ่งที่ไม่เคยบัญญัติใช่ไหม ภิกษุทั้งหลายจําไว้นะจากไม่เพิกถอนสิ่งที่บัญญัติไว้แล้วเหนะ็นไหมจากสมาทานศึกษาในสิกขาบทที่บัญญัติไว้แล้วอย่างเคร่งครัดอยู่เพียงใดความเจริญก็เป็นสิ่งที่ภิกษุทั้งหลายหวังได้ไม่มีความเสื่อมเลยอยู่เพียงนั้นถ้าโยมเป็นสาวกในครั้งฤุิกาลผู้เจ้าสั่งอย่างนี้เป็นไงกล้านะเป๊ะเลยนะต้องไม่ไม่พูดอะไรเพิ่มเติมหน้าที่เราคือจำำําคํำผู้เจ้าให้ได้แล้วถ่ายทอดออกไปตรงๆ แค่นั้นเองนะดังนั้นพระในครั้มภูตการประสัดมาถามพารัทธวาชา้าคำถามอย่างนี้อย่างนี้มาปุ๊บพาลัทธวาชา้าบอกอ๋อตถาคตตรัสว่าอย่างนี้นะจะถามคําถามอะไรขึ้นมาก็ตามตถาคตบอกอย่างนี้จะเอาคําตถาคตไปตอบให้เขาฟังเพราะผู้เจ้าเนี่ยตอบคําถามของคนทั้งโลกไว้หมดแล้วทุกความเห็นคนทั้งโลกเนี่ยมีความเห็น62สบแบบผู้เจ้ามองออกหมดนะ เป็นสัพพัญยอยู่และตอบไว้ทุกเรื่องหมดแล้วไม่มีอะไรที่พระเจ้าไม่รู้หรือไม่ได้ตอบไว้เพียงแต่เราเนี่ยรู้ไม่ถึงแค่นั้นเองน ะ, นะเป็นอย่างนี้ เ, เพราะพระเจ้านี่จะเคารพพระธรรมแต่วพระธรรมนี้จะรวมถึงทำทำวัดเช้าทำทำวัดเย็นแล้วก็คาถาบทจดจำต่างๆหรือเปล่าคือพระธรรมไหม ท, ทั้งหมดนี้ครับทีบ่ทำวัดเช้าธรำวัดเย็นของโยมเนี่ยหรือคาถาต่างๆเนี่ยมันก็ต้องถามว่าเอามาจากไหน คำว่าพระธรรมพระธรรมคือธรรมที่ออกจากปากตถาคตบัญญัติโยมเคยตรวจไห้ว่านังสือธรรมวัดเช้าเย็นของโยมเนี่ยตถาคตบัญญตัติหรือว่าในกอในขอบัญญัติโยมทราบไม้ว่าบทธรรมวัด ต, ต่างๆเนี่ยตามหนังสือสดุลเนี่ยมนุษย์ธรรมดาเนี่ยเขียนเยอะแยะไปหมดเลยโยมลองสาวไปสิมันมีต้นตอที่มาที่ไปทั้งนั้นเนี่ย คนนี้แต่งพระองค์นี้แต่งคารวาดคนนี้แต่งเราก็มานั่งสวดบทที่คารวาดแต่งนะมีชื่อเสียงหน่อยเป็นบาลีเขียนบาลีได้ก็แต่งขึ้นมาให้พวกเรานั่งท่องนะสันเสริญพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ไปนะแต่บทสันเสริญพระพุทธรพระธรรมพระสงฆ์ที่พู้เจ้าบัญญัติทาไมเราไม่เอามาท่องไงศาสดาได้บัญญัติไว้หมดแล้วนะเนี่ยคือตัวธรรมะที่ออกจากปากของพระเจ้า นะดังนั้นธรรมะกับพระเจ้าเนี่ยเป็นหนึ่งเดียวกันนะเพราะธรรมะออกมาจากใครออกมาจากปากพระพุทธเจ้าพระุทธเจ้าจึงบอกเธอเป็นโอรสอันเกิดจากปากตถาคตปากพระพุทธเจ้าพูดคําพูดคําพูดนั้นภาษาบาลีใช้คําว่าศาสนีสาสนางังหรือที่เราเรียกว่าศาสนาดังนั้นศาสนามาจากคําว่าศาสนีศาสนาคือคําพูดที่ออกจากปากแต่เป็นคําพูดที่ประกอบด้วยปาฏิหาร จึงเรียกว่าอนุสาสนีปาติหารปาติหารคือคําพูดนะว่าท่านจงเถิกอย่างนี้อย่าเถิกอย่างนี้จงทําไว้ในใจอย่างนี้อย่าทําไว้ในใจอย่างนี้แล้วคนนั้นเอาไปปฏิบัติหลุดพ้นจากความตายนี่พระธรรมเป็นอย่างนี้ไม่ใช่พระธรรมที่เราบอกว่าตามหนัง ส, สือนั้นหนังสือนี้อาตมาจึงบอกว่าวางทุกหนังสือในโลกนี้ไปก่อนเลยกลับไปดูว่าหลักฐานที่พลังแรกออกจากปากผู้เจ้าเนี่ยมันอยู่ตรงไหนในโลก นะมันก็คือตัวนี่แหละตั้งแต่สาวิณโสกสืบทอดกันมาจนถึงพระดตุบิดกฉบับสยามรัฐของเรานะเป็นอย่างนี้อุทุชนหรือคลรธารมดานี้พระพุทธเจ้าให้รักษาสินห้างแต่ว่าอุบาสก บ, บาศิกานี่คือรักษาสินแปดแล้วก็ไม่ใช่ก็จะปิดต่อก็ได้แล้วก็สังเนรักษาสินสิ อส่วนพระพิสุสง์รักษาศีลสองร้อยยิบเจ็ดข้ อ, อแล้วก็พระพิสุนีสุดจะรับรักษาศีลสามร้อยกว่าข้อออันนี้ปัญหาต่อไปว่าเม่นาก ต, ต่อไปเราจะมีพิสุนีได้ไหมครับหรือว่าไม่สามารถมีได้แล้วห <คำ S 2> รือว่ามี<ำ>หลายเรื่องนะครับผิดมาตั้งแต่คําพูดแรกเลยชัยทั้งคําพูดสุดท้ายนะเรื่องของตั้งแต่อุบาสกอุบาสิกาไปรักษาศีลแปดไม่ใช่ผู้เจ้าตัดไว้เลยว่า คุณทาอะไรที่ทำให้เธอเป็นอุบาสกอุบาสิกาคือการมีสินห้าหรือมีอุโบสถ8ปประการนี่คืออุบาสกอุบาสิกาในพุทธศาสนาดังนั้นอะไรก็ตามอย่าไปคิดเองอย่าไปคิดเองพูะเจ้าตรัสไปหมดนิยามคำพูดต่างๆเนี่ยว่าอุบาสกคืออะไรอุบาสิกาคืออะไรมีบอกหมดเลยกระจุกกระจิกเนี่ยมีเก็บหมดเลยนะนั้นสมมาเนรักษาสินสินะ ภิกษุรักษาศินสองสองเจไม่มีภิกษุรักษาศินเท่าไหร่เอาขึ้นจอให้ดูนะภิกษุเนี่ยรักษาศินมากกว่า2400ข้อศินจะมีสมกลุ่มเราไม่เคยทราบเห็นไหมอย่าว่าจะโยมเลยตัวพระเองเนี่ยอาตมาไปบรรยายให้พระเองฟังเนี่ยพันกว่ารูปเนี่ยสุรินเจ็ดร้อยรูปบุรีลำสี่ร้อยถ้ำดาวเขาแก้กสี่ร้อยบอกว่าตัวเองมีสินสองี่สิบเหมือนเกนยมนี่แหละเพราะเราเรียนมากระทรวงเดียวกันเราเลยผิดเหมือนกัน รูดกันมาหมดเลยนะสินของพระ ค, คือสามกลุ่มนี้นะบัญญัติก่อนปฏิโมกปฏิโมกและภิสมาจาร์บัญญัติก่อนปฏิโมกเนี่ยบาลีใช้คำว่าสัมปันนะศีลานะตัวปฏิโมกใช้คำว่าสัม ป, นปันะปฏิโมกขาปฏิโมกขาสังวระสังวุตตาตัวภิสมาจาร์จะใช้คำว่าอาจาระโคจระสัมปนานะี่นี่คือสิกขาบทสามกลุ่ม เดระจฉานวิชาต่างๆเนี่ยพวกดูหมอดูเลิกดูยามทําน้ำมนตเนี่ยบัญญัติในสินกลุ่มนี้นะอ่าการรับเงินทองการฉานมือเดียวอะไรพวกนี้เนี่ยอยู่ในสินกลุ่มนี้มารายาและโคจรเนี่ยการเดินบินธบาตเนี่ยให้พรไม่ให้พอรอะไรอย่างเงี้ยกูจะไม่เคยบัญญัตินะเรื่องการให้พรขณะบินธบาติอยู่ในศิลกลุ่มนี้แต่เป็นเพราะพระไ ม, ไม่ได้ศึกษาจึงไม่ได้นํามาปฏิบัติและไม่ได้นํามาถ่ายทอดให้โยมทราบ อาตมาถึงบอกว่าพระทุกวันนี้กับตําราตรงนี้ใครเกิดก่อนกันนะบาตรจีวรที่พระใช้เนี่ยใครเป็นคนบัญญัติถ้าท่านบอกท่านบัญญัติได้ท่านอย่าใช้บาตรจีวรของผู้เจ้านะเพราะผู้เจ้าบัญญัติมาก่อนสองพันกว่าปีใช่ไหมแล้วภิกษุณีมีหรือเปล่าในเมื่อผู้เจ้าบัญญัติว่ามีมีก็คือมีเพราะธรรมมาผู้เจ้าต้องเป็นอากาลิโก นะคัดน้ําติดเตียนไม่ได้และพระเจ้าบัญญัติเหตุป้องกันไว้แล้วใครจะมาบอกไม่มีนั่นคือพูดเราเองนายพูดเองไม่ใช่พระเจ้าพูดนะ <c oughs> เป็นอย่างนี้อ๋อโอกาสอาจารย์คําถามสุดท้ายครับเ <c oughs> มื่อกี้วิทยากรได้กล่าวถึงอาณาปานสติ <c oughs> คือการเลมหายใจเข้าออก <c oughs> คือเ ร, เราสามารถรู้ว่าเราหายใจเข้าและหายใจออกอาจารย์ไม่ทราว่าเราต้องคิดถึงความตายทุกลมหายใจเข้าออกไหมครับ ดังที่พระพุทธเจ้าเคยเกล่าวไว้ครับถ้ามีกำลังมากนึกได้ดีมีประโยชน์นะนึกให้มากที่สุดเท่าที่จะนึกได้นะเพราะนั้นแล้วแต่ใครจะหยิบตรงไหนไปทำลกความเพลินรู้ลมหายใจกายยัตตาสติหมรณสติได้หมดนะ่ะเป็นคำสอนพพุทธเจ้าทั้งหมดพวกนี้น ะ, นะณวันนี้เราตรวจได้แล้วเยอะ เราให้คนทำเนี่ยข้อมูลบาลีสยามรัฐทั้งหมดเนี่ยทั้งภาษาบาลีและภาษาไทายอย่างละสีพาทเล่นเนี่ยเข้าไปในพวกแท็บเลต็ตมือถือของพวกเราทั้งหมดที่เป็นพวกสมาร์ทโฟนเนี่ยข้อมูลทั้งหมดณนะวันนี้เรามีเท่ากันทั้งหมดนะโยมไม่ต้องกลัวว่าโยมไม่มีข้อมูลและสามารถสแกนข้อมูลได้ด้วยนะค้นหาว่าเ อ, อานาปาณสติครูเจ้าสอนจริงหรือเปล่าคีย์เข้าไปเลยแล้วกดค้นหา นี่คือแอปพลิเคชันตัวนี้นะโยมจะได้มาเอาไว้ใช้ในการสืบค้นพุทธวจนะนะและเวลาสแกนหาเช่นจะสแกนหาให้ดูอาณาปานสตินะยมก็คีเคํา่าอาณาปานสติเนี่ยเข้าไปแล้วก็กดค้นหานี่ยอาณาปานสติกดค้นหานะพระสูจะขึ้นมาแล้วอยู่เล่มไหนหน้าไหนมันจะบอกหมดเลยนะเราก็เดึงมา เราบินขึ้นมาเราก็จะเห็นนะเราก็ไล่เรียงไปนะแม้สมาธิในอานาปานสินีิแลเห็นไหมอันที่สุอขลมกระทําให้มากย่อมเป็นคุณสงบนะประณีตเยือกเยงเง็ยนเป็นสุขยังบาปอกุศลที่เกิดขึ้นแล้วให้อันตรธานไปมีเห็นไหมเทียบเคียงบาลีก็ได้ลองเทีบเคียงไปบาหลีบาลีจะขึ้นมาหน้าเดียวกันนะเทียบเคียงบาลี เห็นไหมนาปานสติเอาเอาตัวเนื้อหาตรงนี้มันเป็นคำที่แต่งขึ้น อ, อานาปานสตนิพิกเวคือพิสุทั้งหลายานาปานสติบาลีมีเห็นนะเนี่ยตรวจง่ายอยมีในอุปกรณ์พวกเราทั้งหมดโหลดเข้าไปแป๊บเดียวน่ะ เราอยู่ป่าเราก็สืบค้นได้นั่งอ่านได้ทุกที่น ะ, ะง่ายไหมล่ะนะสะดวกใครขยันคนนั้นได้ความรู้น ะ, ะทำข้อมูลไว้ให้หมดแล้วขออนุาตนะคะอาจารย์อยากทราบว่าคนที่สมองก็เสื่อมเนี่ยค่ะเพราะเขาขาดสัญญาหรือเปล่าคะเออ อุปกรณ์ทางกายมันเสียโยมด้านรูปธ า, าตุเนี่ยแต่ขันห้ามันยังทํางานเหมือนเดิมนะสัญญาก็ยังมีเหมือนเดิมแต่มันมาใช้ร่างกายเนี่ยสื่อออกมาไม่ได้นะแค่นั้นเองบินญญยาังเข้าไปวนจับอยู่ในรูปเวทนาสัญญาสังขารเหมือนเดิมนะซึ่งโยมตรวจสอบได้ด้วยตนเองนะดังนั้นคนป่วยจะเป็นอะไรก็ตามเนี่ยยังนึกยังคิดอยู่ตลอดเลยแต่มันแสดงออกมาทางกายไม่ได้แค่นั้น อุปกรณ์ทางกายมันเสียพระอาจารย์ค่ะแล้วอย่างทีเ่เวลาเราจะนั่งสมาธินะคะเวลาไปตําวัดท่านจะบอกว่าให้เร า, เาบูชาพระสนธไตรนะคะแล้วก็รับสาสินคือ ร, รับสิลก่อนแล้วถึงจะนั่งสมาธิจําเป็นไหมคะว่าเราจะต้องทําสองอย่างนี้ด้วยอะไรอย่างเงี้ย ถ้าโยมอยากนั่งสมาธิก็นั่งเลยก็ได้ไม่ต้องมีพิธีรีตองอะไรมากพระเจ้าไม่ได้บัญญตัติว่าต้องทำอันนี้อันนี้อันนี้ก่อนนะอาตมาบัญญัติใหม่ได้ไหมอาตมาก็เป็นพระอาตมาบัญญัติว่านั่งสมาธิได้เลยอย่างเนี้ใช่ไห ม, ไหมอ่านั้นต่างคนต่างบัญญัติอะไรอย่างนี้มันไม่ได้โ ย, ยต้องฟังพระพุทเจ้าใช่ไหมอ่าครับขอข้าพระคุณเจ้านะขอเรียนถามถึงพิธีกรรม ที่เราอาว่าเป็นพิธีกรรมทางาศาสนาพุทธยกตัวอย่างเช่นพิธีการจัดงานศพพิธีการทอดกระถิ อ, ถอพิธีการทอดพระปาทําทบุญบ้านอะไรต่างตาเรื่องนี้ยอยากให้พระครูจา้าจะชี้แนะในในทางที่ถูกและก็กะทางที่ไม่ถูกให้พวกเราได้รับทราบเอาง่ายง่ายพิธีทําบุญแล้วโยมเคยกวดน้ํากันไหมเคยใช่ไหมเคยครับอ่ะเราก็สืบค้นก่อนกวดน้ํามีไหมโยมก็เอา อีติปิติการเนี่ยไปสืบคน้นคีย์คำว่าโกรวดน้ําเข้าไปไ ม, ไม่พบคําว่าโกรวดน้ําในพระไตรปิฎกฉบับสยามรัฐข้อมูลที่เก่าที่สุดในโลกไม่มีคําว่าโกรวดน้ำํำผู้เจ้าไม่เคยสอนโยมโยนทิ้งได้เลยใช่ไหมใช่เราต้องมั่นใจเพราะเราเชื่อหลักฐานตรงนี้ถามใครบัญญัติกรวดน้ําหาต้นตอได้ไหมไม่ได้พูดตามๆกันมาทําตามๆกันมาแต่ไม่ใช่ผู้เจ้าสอน ถิ่นเขาจะศรัท ธ, ธาก็ศรัท ธ, ธาไปแต่ให้เขารู้ว่าสิ่งที่เขาศรัท ธ, ธาไม่ใช่คำสอนผู้เจ้านะอยากรักษาก็รักษาไปแต่เราจะรักษาคําสอนผู้เจ้าเราต้องแยกก่อนว่าใช่คํำผู้เจ้ากับไม่ใช่นะดังนั้นตัวนี้จะเป็นตัวแยกให้ว่าใช่คํำผู้เจ้าหรือไม่ใช่นะทีนี้กรถินมีไหมกรถินมีนะอา่าผ้าป่าก็คืออากาลจีวร น, นะจีวอนนอกกาลนะภาษาไทยไปเป็นผ้าปา่า แต่ก็คือจีวร น, นอกการหรือบางสกุลจีวร น, นะพิธีอะไรกันทาบุญบ้านที่โยมบอกมาเมื่อกี้มันก็ต้องถามว่าโยมทําบุญบ้านแล้วยมทําอะไรถ้าโยมมีสายศิลมีการทําน้ำมนต์อะไรพวกนี้ไม่ใช่พิกษุเข้าบ้านได้ไหมผู้เจ้าบอกได้ตัวผู้เจ้ายังเข้าบ้านเลยแล้วพิสุขเข้าบ้านไปทําอะไรผู้เจ้าฉัน อนุโมทนาแสดงธรรมทำสามอย่างนี้ดังนั้นถ้าโยมจะทำบุญบ้านของโยมเนี่ยโยมก็นิมนต์พระมาเข้าบ้านนะถวายอาหารฉันพระจะอนุโมทนานะอนุโมทนาคือการบอกว่าการกระทำของของฆราวาสคนนั้นเนี่ยจะมีผลอะไรให้ทานแล้วมันเกิดผลอะไรมีโภค้ามากมีทรัพย์มากอย่างนี้นะแล้วก็ให้ธรรมะ ดังนั้นเวลาพระเข้าบ้านเนี่ยเวลายมทําบุญผู้เจ้าบอกจะได้อ น, นิสงอะไรอันนี้สงห้าประการการที่ยมมีจิตเลื่อมใสในนักบวชผู้มีศีลผู้เข้าไปสู่บ้านเรือนของผู้ใดเนี่ยผู้เจ้าบอกเป็นไปเพื่อสุขติโลกสวรรคนะ์การลุกลับกราบไหว้ให้สะนะเป็นไปเพื่อการเกิดในตระกูลสูงการลกความตรณีอันเป็นมลทินเป็นไปเพื่อการได้เกียรติศักดิ์อันใหญ่ การจำแนกแจกทานตามสติกำลังเป็นไปเพื่อการได้โภคาอันใหญ่การได้ฟังธรรมในนักบวชผู้มีศีลเป็นไปเพื่อการได้ปัญญาอันใหญ่นี่คือสิ่งที่โยมจะได้ดังนั้นโยมทำได้แต่ถ้าโยมไปมีพิธีทำน้ำมนต์ก็ผู้เจ้าบอกแล้วเดรลฉานวิชาไม่ใช่มงคลใช่ไหมอ่าเราก็ไม่ทำในสิ่งที่ผู้เจ้านะได้ห้ามเอาไว้ก็องค์ห้ามเราก็ต้องไม่ทำเดินตามผู้เจ้าเลย เราไม่รักษาเระสารวิชาไว้ในบ้านเราไม่เอาเอาออกไปนี่ไม่ใช่คำสอนศาสดาฉันเนี่ยถ้าอย่างเนี้ยโยมก็สบายละถูกต้องเป๊ะเนี่ยอย่างเช่นพิธีงานศพเนี่ยที่มีการทำบุญเจ็ดวันทำบุญห้าสิบวันทำบุญร้อยวันอันนี้ก็ไม่ใช่คำสอนไม่จำเป็นไม่จำเป็นกี่วันก็ได้โยมสบายใจกี่วันก็ทำเท่านั้นวัน ญาติมาครบและพร้อมแล้วทุกคนเป็นพยานแล้วแม่ฉันตายจริงมาเป็นประจักรพยานบินจากต่างประเทศเดินทางมาจากต่างจังหวัดรับรู้รับทราบทั่วกันแบ่งสมบัติกันเรียบร้อยหมดแล้วเรียบร้อยอา้าวเผาตอนนี้ก่อนจะเผาทํำยังไงผู้เจ้าก็บอกอ่ะเมื่อมีการประชุมกันแล้วให้เธอทําอะไรหนึ่งนั่งนิ่งอย่างพระอริยเจ้าสองอกล่าวธรรม หรือเชื้อเชอให้ผู้อื่นกล่าวญาติโยมมาจากที่ไกลเลยเต็มเลยโยมจะให้เขารู้อะไรผู้เจ้าบอกถ้าเธอคิดจะสงเคราะห์คนทั้งหลายเนี่ยที่เป็นญาติสาโลหิตหรือคนที่เธอรักให้สงเคราะห์ด้วยการให้เขารู้อริสัตสดังนั้นให้เขาได้ยินได้ฟังคําตถาคตคําสอนตถาคตโยมก็เอานี่วันนี้จะแจกแผ่นซีดีปฐมธรรมให้โยมเอาไปเปิดให้เขาฟังเปิดในงานศพคนจะได้สนับในคําตถาคตใช่ไหม หรือยมจะอ่านเองก็ได้โยมก็อ่านเลยคารวาชั้นเลิศพระสูตรใช่ไหมหากินโดยเป็นธรรมโดยไม่เครียดคัดทําตนให้เป็นสุขอิ่มน้ํานะรู้จักแบ่งปันโพกกระซ์บําเพ็ญบุญนะไม่กําหนัดไม่โมเมาไม่ลุ่มหลงมีปกติเห็นโทษมีปัญญาเป็นเครื่องสลัดออกบริโภคโพกกระซั์เหล่านั้นทุกคนที่มาในงานของโยมจะได้เป็นผู้สดับในคําของสถาคตสุดยอดแล้วนะนี่ทําอย่างนี้สบายๆแล้วพระเจ้าบอกยังไง พระพายยะตายปรินิพานผู้เจ้าบอกเอาไปเผานั่นแสดงหลักการของผู้เจ้าเนี่ยเผาเราก็ใช้การเผาใช่ไหมแค่นั้นเองง่ายๆเดินตามหลักการผู้เจ้าหมดเลยถ้าโยมเข้าไปในเว็บไซต์ของอาตมาแล้วก็ไปเปิดดูย้อนดีวีดีเก่าอาตมาบรรยายเรื่องเกี่ยวกับงานศพไว้ให้หมดแล้วโยมทําตามได้เลยกุศลกรรมนี้ส่งให้ผู้ตายได้ไหยครับ พระเจ้าบอกว่าต้องเป็นจิตที่มีกาลังก่อนนะนั้นพระเจ้าบอกหน้าที่ในทิฏหกําอะไรนะหน้าที่ในทิฏหก็คือการที่บุตรหลานเนี่ยนะลองไปดูกระทาทักษิณาอุทิศท่านทิฏเบื้องหน้าคือบารดาบิดาอันบุตรพึงปฏิบัติต่อห้าประการท่านเลี้ยงเราแล้วเราจาักเลี้ยงท่าน จากทมกิจของท่านจากดํารงวงสกุลจากปฏิบัติตนเป็นทายาิเมื่อท่านทําการละล่วงลับไปแล้วเราจากกระทําทักษิณาอุทิศท่านเนี่ยมีครบหมดเนาะเนี่ยสงสัยอะไรเปิดพุทธวจนะมีคําตอบหมดเลยนะสิทิเล่มของเราเนี่ยเพียงพอน ะ, นะแล้วก็ใช้โปรแกรมเนี่ยอีเดปิตกะมีได้ทุกคนอยู่แล้ว เ ข, เขาเกิบพระอาจารย์ค่ะทำหน้าที่เตือนญาติมิตรและทั้งเด็กและผู้ใหญ่ว่าเวลาผ่านไปอย่างรวดเร็วเหลือเวลาอยู่ไม่เกินสิบนาทีเพราะว่าพระอาจารย์แสดงธรรมมาตลอดเกรงว่าจะยาวนานเกินไปแล้วก็เด็กๆ ก, ก, ก็เริ่มเสียสมาธิเล็กน้อย <c oughs> <c oughs> จากการ <c oughs> ที่ไม่กล้าถามคำถามก็เก็บไว้โอกาสต่อไปนะคะไม่ทราบท่านผู้มีเกียรติ บางท่านอยากจะถามคาถามอะไรเพิ่มเติมไหมคะขาเแทนเด็กนิดนึงครับเมื่อกี้ก<อ>คุยกันดิ อ, อยากทาว่าอริยสัจสีคืออะไรครับอ๋ออริยสัจสีคือสัจจะสัจจะความจริง ที่มีอยู่ในโลกนี้ทั้งหมดเนี่ยว่าโลกนี้ทั้งหมดเนี่ยมันมีสัจจะคือมีความจริงว่าทุกอย่างเนี่ยมีการเกิดแล้วก็มีการดับแค่นี้เองนะต้นไม้เกิดไหมต้นไม้ตายมีไหมคนเกิดไหมคนตายมีไหมสุนัขเกิดมีไหมสุนัขตายมีไหมแก้วเกิดมีไมอ่าไม่มีแล้วมันเป็นแก้วมาได้ไง แก้วแตกมีไหมมีไอ้แตกมันมาจากเกิดใช่ไหมอืมนี่แหละนี่แหละสๅษีเกิดจับนะพระเจ้าขอโอกาดค่ะเพราะฉะนั้นก่อนี่จะทำตัวเป็นเด็ก นักเรียน <c oughs> ก็คือตั้งแต่เด็กมาได้ยินว่าพระพุทธเจ้าสอนว่าทุกทุกัทกทุกขะสมุทยัยทุกขะนิโรธทุกขะนิโรธาคา ม, มินีปฏิปทาถ้าเกิดใครเป็นคนที่อยู่ใกล้วัดมาก่อนใช่ไหมคะท่านป อ, อเป็นเด็กวัดมาก่อนเพราะฉะนั้นชาวพุทธก็เลยรู้จักแต่คำว่าทุกทุกความทุกอยากให้พระอาจารย์ขยายว่า พระพุทธเจ้าค้นทุกสักจจะความจริงคําว่าทุกแปลว่าอะไรจริงๆคะ่ะออคําว่าทุก์เนี่ยมันคือสิ่งที่มันแตกสลายได้โยมจะเรียกว่าทุก์นะวันนั้นอาจามาไปบรรยายนึงอาจารยมาบอกว่าแก้วก็เป็นทุกเขาบอกแก้วเป็นทุกยังไงนะครับเนี่ยเขคือความรู้สึกทุกข์เฉยๆ เราก็เลยสงสัยว่าแล้วแก้วมันเป็นทุกข์ยังไงก็คือแก้วมันแตกได้นี่แก้วเป็นทุกข์ความทุกข์เป็นทุกข์ควาทุกข์ก็เป็นทุกข์คือความทุกข์มันแตกสลายได้ความสุขก็เป็นทุกข์เพราะความสุขมันแตกสลายได้นี่ไงทุกอย่างในโลกนี้หยิบอะไรขึ้นมาหนังสือเป็นทุกข์ไหมเป็นไม้เป็นทุกข์ไหมเป็นโต๊ะเป็นทุกข์ไหมอาคารเป็นทุกข์ไหมคนสัตว์ทุกอย่างเลยรวมไปถึงนามธรรมก็เป็นทุกข์ พระนามธรรมก็เดินไปสู่ความดับแตกสลายเข้าใจั้มความคําว่าทุกเนี่ยของพระเจ้าเนี่ยทุกประศัตรเนี่ยกินกินความกว้างมากคือสรรพสิ่งทั่วโลกธาตุเลยทุกหมดเลยคือแตกสลายก็คือสรุปแล้วก็คือพุทธเจ้าเป็นเป็นองค์ที่ได้ค้นพบสัจจความจริงที่มีอยู่แล้วในโลกธาตุและได้นําสัจจความจริงอันนี้มาบอกสอนให้ชาวพุทธต่อไปช่ ขอบพระคุณค่ะก็มีคำถามไหมคะเชิญค่ะเชิญค่ะาอาจารย์คะเากาค่ะถ้าเราจะหาหนทางดับทุกข์ต้องทำยังไงอะค ะ, ะหนทางดับทุกข์ก็คือหนทางเดียวคือมรรคมีองแปมรรคมีองแดเนี่ยข้อปฏิบัติกายวาจาจิต8วิธีสองข้อแรกเนี่ยจะเป็นปัญญาสามข้อกลางเนี่ยเป็นศีลสาข้อท้ายเป็นสมาธิ แต่พูดยอ่อเหลือสามก็คือศินสมาธิปัญญาพูดยอ่อมาสองก็คือสมถะกับวิปัสนาให้เหลือหนึ่งเดียวก็คือรู้ลมหายใจเขาออกในอนาป่าง่ายๆหรือกายยคตาสติเอาจิตอยู่กับลมหายใจเนี่ยเป็นหนทางดับทุกข์ได้แล้วนะเข้าถึงนิพพานได้ ง, ง่ายๆเลยจำไว้ยอย่างเดียวอยู่กับลมหายใจเอาจิตนึกถึงลมหายใจเรื่อยๆดึงจิตกลับมาอย่าให้มันไปคิดนึกเรื่องโน้นเรื่องนี้ สำรวมอินรีเอาจิตอยู่กับกายนะสำรวมอินรีสำรวมใจอยู่กับกาย้ลทุกได้แน่นอนใช่ไหมไม่ไม่มีจริงๆแล้วใช่ไหมคะก็ขอขอกราบพระอาจารย์ทำทความเข้าใจทั้งชาวตลาดแล้วก็เด็กๆซึ่งบางคนเป็นลูกเชื้อสายจีนเหมือนกับโยมค่ะ เพราะว่าใกล้จะถึงวันตรุจจีนชาวจีนก็ชาวเ ช, ชื้อสายจีนก็คิดว่าเป็นคนพุทธไปวัดฟังธรรมใส่บาตรถวายทานแต่พอวันตรุจจีนก็ได้มีการไหวบ้บรรพบรุษเพื่อลำลึกถึงบรรพบรุษหรือหรืออะไรก็ตามที่ปฏิบัติตามกันมาเด็กนักเรียนคะขอโทษค่ะที่ไม่ใช่เชื้อสายจีนก็มักจะดีใจว่าวันตรุษจีน ถ้าใครมีเพื่อนคนจีนก็จะได้กินเป็ดกินไก่กินขนมเข็งขนมเทียนใช่ไหมคะก็เลยอยากทราบว่าอันนี้ค่ะพระพุทธเจ้ามีบอกไว้ไหมคะว่าคนที่เป็นบุตรหลานเชื้อสายจีนและทำตามบรรพุบุษเนี่ยโดยการฆ่าเป็ดฆ่าไก่ทำขนมเทียนขนมเข็งไหว้เนี่ยบรรพระบรุษของเขาจะได้รับจริงหรือไม่ก็เพระคุณค่ะ <laughs> ถ้าบันพุรุ่มเราไปเกิดเป็นเปรตนะได้อยแต่ถ้าไม่ได้เกิดเป็นเปรตเนี่ยคงไม่ได้ทนีนี้การที่เราเทําด้วยการฆ่าเป็ดฆ่าไก่อันเนี้ยผู้เจ้าบอกเลยว่าจะเป็นไปเพื่อนรนะกกับเนริชานเปรตวิสัยแต่ถ้ายมบูชาอะไรแล้วด้วยของหอมเครื่องย้อมเครื่องทาดอกไม้อะไรอย่างนี้อาหารข้าวหวาน อันนี้ยังเป็นไปเพื่อสุขติโลกสวรรค์ไดนะ้แต่ยังไม่พ้นทุกถึงที่สุดนะนะนั้นหลักการเป็นอย่างนี้อขอบคุณคนะ่นะคุณตาติดโอเคค่ะงั้นขอว่าดินนิดนึงครับงั้นถามแทนเด็กๆ เ, เห็นในพระอาจารย์มีหนังสือ พ, พุทูมาบอกด้วยอตอนนี้เราเกิดเป็นมนุษย์ก็รู้สึกว่าเป็นสัตว์ประเสริฐเรามีบุญถ้าเกิดเราตายไปเนี่ยเรามีโอกาสกับ เราเลี่ไปเกิดเป็นอะไรได้บ้างครับเราไปเกิดเป็นหมาแมวได้ไหมตกนรกได้ไหมได้หมดเลยแล้วถ้าเราไม่อยากเป็นอย่างนั้นเนี่ยเราจะต้องทํำยังไงครับเราอยากจะกลับมาเป็นมนุษย์อีกหรืออยากไปเกิดเป็นเทวดาอ๋อคือดีกว่าเราต้องทํำยังไงบ้า ง, ต, ง<ะ>ต้องรักษาศีลต้องไม่ฆ่าสัตว์ต้องไม่ฆ่าสัตว์ตตเลยนับแลงต้องไม่ลักทัพย์คือไม่ขโมยต้องไม่ประพฤติผิดในกามไม่แย่งกล่องรักใครเนะี่ยต้องไม่พูดโกหก น ะ, ะต้องไม่พูดคำหยาบคำเพอ้อเจอ้อคำส่อเสียดคำพูดเพอ้อเจอ้อคือคำพูดที่โปรยประโยชน์ทิ้งเสียคำสอเสียดคือวาจาที่ยุยงให้เขาแตกแยกกันนำความฝ่ายนี้ไปบอกฝ่ายนี้ฝ่ายนี้มาบอกฝ่ายนี้ให้เขาทะเลาะ ก, กันเราจะไม่ทำคำหยาบเราจะไม่พูดนี่เราจะไม่เพ่งเล็งอุปกรณ์แห่งทรัพย์ของผู้อื่ น, นเราจะไม่พยาบาทไม่เบียดเบียนใคร เราจะเป็นผู้มีสัมมาทิฏฐิความเห็นถูกต้องนะเชื่อคาพูดพุทธเจ้าเชื่อการตัสร<ม>ุปของพุทธเจ้าอันนี้แหละเป็นเหตุให้มนุษย์เกิดขึ้นสุคติใดๆเทวดาเกิดขึ้นได้เราจะรักษาสภาพนี้ได้นะาระเด็นออนี้นั้นตอนนี้เราเกิดเป็นมนุษย์แล้วเนี่ยไม่ใช่ว่ารอดพ้นในอบายภูมิเราย่งมีสิทธิ์ที่จะกลับลงไปเกิดเป็นสิ่งที่ต่ํากว่ามนุษย์ได้ใช่และเป็นส่วนใหญ่ด้วยนะ มากกว่าเก้าสิบเก้าเปอร์เซ็นเนี่ยจะกลับไปสู่อาบายเนื้อสมาบ์นะกราบขอบคุณครับคงต้องกราบขอบพระคุณพระอาจารย์และพันเตทั้งสามท่านค่ะที่เมตตาให้ความรู้แก่ชาวพุทธทั้งเด็กและผู้ใหญ่ขอเชิญพวกเราร่วมกันกราบพระอาจารย์พร้อมกันค่ะ